อาจารย์พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะร่วมสนทนาถามตอบก็เชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็เริ่มตอนที่เด็กชายนักลูก เด็กชายนักโคนเป็นยังไงสบายดีเหรอดือดไหมเดือกถามนมาส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างเป็นยไงคะสบายดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วแอดมิดไปอีกแล้วค่ะแอดมิดสองอาทิตย์ติดกันเลยค่ะการก่อนคงจะคงจะเป็นเเป็นลิงมั้งการนี <c oughs> ้ถึงมาเกิดสซนอย่างนี้ <c oughs> เป็นอะไรถ้าทางวันเลงอะดูอาจารย์ถามว่าก่อนที่คุณลงมาอยู่ในพุ่งาจา่ยจะงคุณเป็นอะไรเป็นลิงมาบ้างอะไรล่ะได้ไหมเป็นลิงหรือเปล่าก็ชีนักหนูเาบอกนเรไม่รู้หรอพอาจารย์ถามว่าน้คุณเป็นลิงมาหรือเปล่าเป็นคนนะคะเป็นคนอเป็นคนครับเนีดีไปโรงเรียเป็นหรือเปล่าครับ โรงเรียนปิดครับพ่อจันเข้าว่าอะไรเข้าว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าคําพ่อจันอ๋อมันมาข้าบูชาหรือเปล่ารู้จากคําว่ามาข้าบูชาไหมน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณแม่มาพาไปวัดหรือเปล่าวันนี้ ไม่ได้ครับถ้าคนไม่อยากไปใส่บาตรบ้างเลยอยากป่ะเมื่อตอนสายๆบอกว่าเราไปตักบาตรพระอาจารย์กันเถอะค่ะบอกตอนสิบโมงแล้วมไม่ทันแล้วลูกต้องตื่นตีสี่ลงไปตักคนทุนี้แล้ว <laughs> ใช่ไหมครับแล้วคนอย่ไปเชาต เดอเอาไปเสาร์ที่เดโอเคเราก็ค่อยไปเสาร์ที่ดอโอเคนะคระโอเคอากาศลาครับอาจารย์ก่อนค่ะครับน้ำมันสกัดไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรไหมกับไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปญี่ปุ่นค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาไปกราบพระอาจารย์ค่ะโอเคถูกถูกค่ะอจะแม้กับเจ้าตีต่อ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 คือว่าเราจะต้องพรัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด ม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกำากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือผาบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสืบไปเราทั้งหลายคนพินจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจำได้ไหม อรย์นาทุกวันอยู่ปะ่ะพิจารณาทุกวันครับเดี๋ยวพิจารณาตอนไหนอ่ะตอนสอนัตว์มนุ์ครับโอเคแล้เเวเรีนนิ่งสมาธิได้กี่นาทีสามสิบนาทีครับเอามีน้อยกว่าสามสิบบ้างไหมไม่มีครับไม่มีนะต้องสามสิบขึ้นไปนะครับอยากจะเพิ่มเป็นสามสิบห้าหเดี๋ยวช่วงปิดเทอมเพิ่มครับ เอี่ยทำไมของดีๆอย่างนี้ตอบไม่อยากจะได้ของไม่ดีเล่นเกมไปเพิ่มอีกสิบนาทีเล่นต่อไหมครับ oh. ของเป็นพิษกับจิตใจชอบนะของที่เป็นคุยกับจิตใจกับไม่ชอบนะ oh. อต้องบังคับใจ น, นะใจ oh. ชอบของเป็นพิษใจชอบรูปเสียงกลิ่นรสพระเจ้ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นพิษนะ เป็นทุกข์ให้มาชอบความสงบดีกวามม่าสงบจากการนั่งสมาธิทำให้ใจเย็นใจสบายรูปสีกิน<บ>ลสดทำให้ใจร้อนอร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธครับโอเคเอ่อรามีอะไรต่อผมขนเล็บปัน หนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเมาส์หัวใจตับผังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเแบบยื่อในสมองสีสะนน้ ำ, ด, น ำ, น ำ, นำดีน้ำเสลดน้ำเหลือมน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลว น้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเคลื่อนให้สมองจิตสามอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตตับ ครับหัวใจม้ามในกระดูกกระดูกเอ็นเนี่ยหางฝันเด่นป่นผมเห็นภาพเหล่านี้บ้างไหมก็ไม่อยากจะเห็นใช่ไหมหรืออยากจะเห็นก็อยากจะเห็นครับไม่อยากใช่ไหมถึงไม่เห็นอยากเห็นครับอยากเห็นทำไมไม่เปิดดู ครับแรานเสือนาโตมิดครับใช้อินเทอร์เน็ตได้เปล่าได้ครับ้องเสิร์ชคำว่าอนาโตมิดูครับอ่าจะได้เห็นภาพเรารู้จักชื่อแล้วที่ขั้นต่อมาเราต้องมารู้จักตัวมันรูปหน้าหน้าตามันว่าเป็นยังไงเราพยายามจดจำไว้อยู่เรื่อยๆ เาไปเวลาเราเห็นใครเราก็จะเห็นภาพเบล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจเราครับและเราจะไม่ได้ไปหลงไปคิดว่าเขาหน้าดูหน้าชมอ่ครับเข้าใจนะเข้าใจครับเอ๋มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับคุณแม่มีอะไรแล้ว่ไม่มีการหลงปฏิบัติเหมือนเดิมตั้งสมาธิ สวดมนต์ลแล้วก็อ น, นุสิตธรรม น, นะปฏิบัตอิอยู่กันพยายามเกิดผลอบรมไปวันหนึ่งจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราเราอาจจะไม่คาดฝันก็ได้ะนะไม่มีอะไรที่แน่แน่นอนในโลกนี้เออเราพยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อาจจะไม่คาดฝันว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ อ้าเราไม่คิดเราไม่เตรียมตัวรั บ, บเหตุการณ์พอเจอกับเหตุการณ์แล้วเราจะช็อกได้นะเอ้าใจนะโอเคไปที่ตะวันกับคุณแม่กราบคุณพ่ออาจารย์ออแลนดเมื่อคืนนี้ถามคุณพ่อว่าหายไปไหนแม่ลูกครับน้สกนพระชอครับคุณพ่อบอกว่าให้ให้แม่ลูกาตอบเองดีไหม ไปไหนมาเมื่อวันพุธที่แล้วเออวันพุธที่แล้วเออไม่รู้จัจได้ปะไปหาหมอฟันเอาฉันไปหาหมอฟันครับเป็นอะไรหรือฟันเออรถจัดฟันครับรถรถจัดฟันเขาหะเป็นไรกันใช่ไหมตอนนี้ดีไหมใช่ไหมเอาไปส่งยังใช่ไหมต้องรอรอรับค่ะพระอาจารย์อืมนี่ั่นเขารักษาฟรีใเปล่า อืมถ้าเป็นสําหรับเด็กเนี่ยค่ะขูดหินปูนแล้วก็ทําความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยตรวจฟันอย่างเงี้ยมันจะฟรีจนถึงอายุสิบแปดเจ้าค่ะแต่ถ้าในเรื่องของอย่างเงี้ยสุขภาพอย่างเงี้ยอจัดฟันเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเช้ไหมคะพระอาจารย์เพราะไม่เห็ว่าเป็นเป็นเรื่องสุขภาพไม่เหว่าเป็นเรื่องของ ความสวยงามความสวยงามค่ะนอกจากว่าฟันมันมีปัญหาเยอะจริงๆอย่างเนี้ยค่ะฟานเขาถึงจะอนุโลมให้เกี่ยู่ครับว่ามันเป็นสุขภาพด้วยว่าเป็นความสวยงามใช่ค่ะโอเคมีอะไรไหมวันนี้ตะวันอจะทําทอะไรบ่าวันนี้ไม่มีอะไรครับอ่อแล้วคุณแม่มีอะไรบ่างอาจารย์แต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อวันวันก่อนนี้เขาบอกเข า, เขามีนะแต่ว่าลืมไปแล้วพ่อหนูนะอืม มีไหมมีเปล่าโอเคอืมผมไม่รู้ลืมไปแล้วมไม่ได้จดผมคิดว่าผมลืมครับมไม่เป็นไรเดี๋ยวนักได้ค่อยค่อยถามใหมาจดนะี่ยังจดนะโอเคครับครับ <laughs> จำไม่ไม่เที่ยงพรเจ้บอกอัจฉริยะจะําจำจได้ก็มได้ถ้าไม่อยากจะลืมก็ต้องคิดบ่อยบ่อย พิจารบ่อยๆอยที่พิจารณาสอนให้เราพิจารณาธรรมะบ่อยๆเขเพื่อไม่ให้ลืมเพราะถ้าเราไม่คิดสักพ่กเดียเราลืมนะแล้วอาการสายสองนี่ถ้าไม่คิดสักพักเดียวมันก็ลืมไปหายไ ป, ไปกันเจ็เจบตายก็เหมือนกันถ้าไม่คิดเดียวมันก็หายไปถ้าคิดบ่อยๆก็จะได้ไม่ลืมเมื่อไม่ลืมเราจะได้เต็มตัวรับกับความจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นต่อไป ทําการบ้านพอถึงเวลาเจอข้อสอบเราก็จะสอบอ่านเพราะเรารู้ข้อสอบแล้ววันจะออกมายัางไงเราก็เต็มหาคําตอบไว้ก่อ น, นจะทํายังไงเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะทําให้เราไม่ทุกข์นี่ทํำยังไงพิจารณาร่างกายกับแล้วเ อ, อพุโทโธแล้วทำสมาี่เยอะกับอม กับวิส่วนต้องทําสมาธิเพื่อให้ใจความเฉยไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะ เ, าเจ็บก็รักษาไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปเอนะถ้ารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอยากไปอยากให้มันหายเพรามันไม่หายแล้วมันจะทําให้เราทุกขนะ์ใช่ไหมใช่ก็รับต้องจัดทําใจ ทำสมาธิก็คือการทำใจนี่เองทำใจให้หวางเฉยนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาในเวลาอะไรเกิดขึ้นมาใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าใจเราไม่ไม่นิ่งเฉยอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อพอนร้อนก็อยากให้มันเย็นพอมันเย็นพอหนาวก็อยากให้มันน้อนก็วุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆที่เราไปสัมผันนับเรื่ง แต่ถ้าเราทําใจในิ่งเฉยได้ไม่รู้เฉยเฉยได้เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมีอะไรไหมคุณแน่ก็คือจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะว่าช่วงขนาดโยมอายุแค่สี่สิบกว่าๆนะคะพระอาจารย์รู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะคะวันละโรคนะคะพระอาจารย์มันจะมีอะไรมานักต่อ น, นักเลยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะพระอาจารย์ ก็แต่ละคนก็สุขภาพอาจจะไม่เหมือนกันใช่อาจารย์แต่ต้องเป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยเป็นชา้าเป็นเร็วแล้วต้องเตรียมตัวรับกับโลคต่างๆอย่างล่าสุดนี้กม็มีปัญหาที่ท้ทองใช่ไหมคะอาจารย์มันปวดมากแล้วก็ไปให้หมอเขาวินิจฉัย หมอเขาก็ไม่ใช่ว่ามันมันมันเป็นผนังช่องท้องมันแยกอย่างต้องรับการผ่าตัดแล้วก็ไปเอ็กซเรย์มาก็ปรากฏว่าเหมือนจะมีที่เป็นรอยแยกค่ะพระอาจารย์แต่พอถึงวันผ่าตัดจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยก็คือมาโดนผ่าฟรีอย่างเงี้ยเจ้าคะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าอู้สงสัยมันจะเป็นกรรมของโยมว่ามันจะต้องโดนผ่าตัดที่แบบว่าคือมันไม่ได้เป็นอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คือแค่ฉีดยามันก็โอเคแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเอ ก็คือถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยแล้วมันต้องโดนผ่าตัดนะคะพระอาจารย์ไม่ลองเฉยๆบ้างให้มันดูแลอย่างนั้นทนไม่ไหวก่อนไม่ไหวไปมันทนไม่ไหวจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันผ่านมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ผ่านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปโทษอะไรอย่างเงี้ยเพว่ามันคิดว่าก็จะเป็นกรรมของโยมอะะพระอาจารย์คือมันจะต้องโดนอ่ะ คือจริงๆไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะพระอาจารย์แค่ฉีดยาแบบคล้ายๆกับมันอักเสบอะไรแค่นี้ตรงช่วงผิวหนังนะคะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่ามันจะต้องโดนผ่าค่ะพระอาจารย์มันจะต้องเจ็บตัวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมแล้วแล้วหมอคนนั้นโยมก็ไม่ได้เจออีกเลยนะคะพระอาจารย์โยมคนที่มาบินิฉไยโยมผิดนะคะโยมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยไม่ได้เขาหายไปไหนก็ต้องรับรับสภาพไปค่ะพระอาจารย์มันมันเป็นมาแล้วอย่างี้ค่ะอืม ก็ข้อสาคัญก็คือใจเราอย่าไปทุกข์กับมันนะเจ้าค่ะดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาผิดบ้างถูกบ้างก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปกล้ยกลับมาเป็นกรรมจริงโยมเลยทำอะไรคนก็อย่าไปทุกข์กับมันเจ้าสาวพระอานทร์รักษาใจให้สงบดีที่สุดให้สงบแล้วก็ก็จะไม่เดือดรนอนเพราะในที่ส่วนร่างกายมันก็ต้อง ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดีไม่ว่าเราจะทำยางไรกับมันเราทำกับใจสบายรักษากลรักษาไปใจก็สบายกับการรักษารักษาไม่หายก็ใจก็สบายกับการไม่หายอยู่กับมันไปถึงเวลามันจะตายก็ใจก็สบายกับความตายไป อันนี้แหละเป็นตัวสําคัญกว่าความทุกข์ใจนี้มันมันมันทรมานยิ่งกว่าความทุกข์กายถ้าเราไม่ทุกข์ใจแล้วความทุกข์กายก็จะไม่ทรมานจะมันจะรู้ว่ามันเจ็บแต่มันก็มันก็ไม่รุนแรงมันไม่มันกับความทุกข์ทางใจทางใจนี้มันทรมานมาก โอเคมีอะไรไม่มีอะไรถ้าถ้าแบบบางทีถ้าเจ็บ ม, มากเจ็บมากๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องพึ่งยาแต่บางทีเจ็บไม่มากแบบบางทีเวลาทําสมาธิแล้วได้ปิติอะ่ะมันก็พอช่วยได้จ้ะค่ะพระอาจารย์ได้ความฉุกเฉินใจสามารถเปปลอบความทุกทางร่างกายได้คือไม่ถึงนะครับทำให้มันหายแต่ว่าทําให้มันไม่มไม่ไม่ไม่รู้สึกรุนแรงเหมือนตอนที่ใจเราทุกข์ใจเราทุกขนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันรุนแรงไปหมด 我ใจลำไม่ทุกข์แล้วทุกอย่างก็เสอ็จ啊我要我มันได้พอท我都会睇病嗯เป็นพยายามฝึกมาปฏิบัติเพื่อระงรับความทุกข์ทางใจเงินเราเราความทุกข์ทางร่างกายตรงที่เราก็รับรับไปไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่มันจะต้องเป็นไปววาทางใจนี้เราสามารถดับมันได้หมดเราความทุกทางใจ องคานทรงรู้สาเหตุว่ม่เกิดจากกิเลสของเราถ้าเราหยุดกิเลสของเา่าได้ความทุกข์ทางใจไม่จะไม่มีพาซานเจ้าคะเรื่องความทุกข์ทางใจยงมีมเล่าให้พาซานฟังก็คือว่าเอโยมพาเจ้าตอนไปตัดผมใช่ไหมคะพาซาน ทีนียมก็นั่งนั่งพิจารณาเวลาที่ผมแบบที่พื้นเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาก็ไม่ได้สนใจว่าช่างเขาพูดอะไรกับตะวานันแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าเขาจะบ่นอะไรสักอย่างหนินะคะแต่ว่ายอมก็ไม่ได้สนใจทีนี้เวลาไปจ่ายเงินที่คาเชียเนี่ยเขาก็ <c oughs> พูดเอ่อเป็นเชิงประมาณว่าไม่พอใจที่ที่เจ้าตะวันอะ่ะผมเขาหนาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์เขาก็พูดเอ่อตนหนิมาว่า เนี่ยบทก็คือเขาบ่นะคะพระอาจารย์ว่าเขาอะ่ะเหนื่อยมากเลยนะต้องมาตัดผมเจ้าต่อทั้งสองรอบแบบคือประมาณว่าใช้เวลานาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าทีหลังอย่ารอนานนะอะให้มาเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ทีนี้โยมก็ได้ยินปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแล้วแล้วก็แต่คือก็ไม่ได้อธิบายไปก็คือว่าเฉยๆไปอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ก็คือคือข่มใจไว้ก่อนไม่ได้ตอบโต้ไปอ่าก็ผ่านไปทีนี้ พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยอกําลังจะเข้านอนปุ๊บอยู่ดีๆเนี่ยสัญญาตรงนี้มันก็มาเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันกลับเป็นนึกเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับกับกับคนตัดผมที่เขาที่เขาพูดตําหนิมาอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์โยมก็เอาแล้วคือโยมกําลังจะนอนแต่ว่าเหมือนมันมันคล้ายๆกับว่าเหมือนมันกดเอาไว้เข้าใจคือมันมันกลับมาตัวพยาบาทวิตกค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ปรุงว่า เดี๋ยวว่าตอนนั้นน่าไม่น่าที่จะแบบเฉยเลยน่าจะตอบกลับเขาเปนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพระเจ้าคือมันปรุงอย่างเงี้ยเข้ามาค่ะพระจายมก็เฮ้ยคือแบบโยมจะนอนแล้วโยมก็แบบมันทุกข์ก็ค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้ตัวว่าเอาแล้วมันมันมันมันโกรธเขาคือมันอยากจะแบบว่าแบบมันปรุงอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เอ๊ะทําไงดีวะทําไงดีวะคือตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดแล้วกันแต่แบบว่าด้วยความที่แบบโยมก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านนะคะพระอาจารย์โยมว่าคิดว่าเอ๊ะ มันโกรธอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีเมตตาเขาทําให้มเมตตาเกิดขึ้นมาว่าเออโยมก็พยายามหาวิธีว่าโอเคโยมก็มองว่าโอเคเขาอาจจะทุกข์นะน่นนี่นั่นแล้วก็ทํางานหนักอะไรเงี้ยคือพยายามไม่ถือสาครับอาจารย์แต่ไม่ว่าโยมจะหามันก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกว่าเอ่คลายความโกรธที่เขาพูดกับเราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้โยมก็ชักท้อใจแล้วเอ๊ะเอาอยัางไงดี แล้วก็อยู่อยู่ดีโยมก็คิดว่าเอ๊ะตอนที่เขาพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดด้วยโทสะกับโยมนี่นะเขาก็พูดแบบว่าเหมือนกับว่าเขาเขาเหนื่อยเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็บางองตัวเองว่าเอ๊ะแต่ตอนเนี้ยที่โยมกําลังบน่นว่าเขาเนี่ยคือมันเป็นโทสะโยมอย่างเี้ยค่ะพระอาจารย์มันเป็นโทสะโยมแล้วก็แบบเป็นเพราะว่าโยมอะอยากก็คือว่าคาดหวังว่าเขาว่าเป็นคนตัดผมใช่ไหมแต่โยมเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องแบบ ให้เกียรดอะไรอย่างเงี้ยครับอจาคือไม่ควรจะพูดคํานั้นออกมาโยมก็ว่าเฮ้ยอ้าวแล้วเขาไม่ได้พูดด้วยความโทสะกับโยมแต่ตอนเนี้ยที่ที่กําลังคิดอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นโทสะของโยมอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยว่าอ้าวงั้นตัวแกก็ก็ชั่วก็เลยกว่าเขานี่นาอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือเหมือนกับว่าไอ้ตอนนั้นอะพอคิดอย่างเงี้ยได้ว่ามันเป็นอัตตาของโยมคือแบบว่าโยมแหะเลวกว่าเขาเพราะว่าโยมอะตอนเนี้ยคือโยมไปไปว่าเขาไปปรุงแต่งเขาในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยครัอาจารย์พอคิดอย่างเงี้ยปุ๊บ่ ความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้หินที่มันวางอยู่บนหัวโยมอ่ะคือมันหล่นแบบ ม, มันมันมันปล่อยเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงที่แบบมันเป็นตัวอัลตาของโยมแล้วแบบโยมเนี่ยเป็นคนเป็นคนเลวเองอะที่ตอนเนี้ยไปว่าเขาด้วยความโกรธอะซึ่งตอนที่เขาพูดกับโยมอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้โทสะใส่โยมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็เลยว่าจินตนาการเ่าเออขอบคุณเขาที่เขาทำให้เขาใช่ทำให้โยมอะ่ะ รู้รู้ตัวว่าปัญหาของโยมอะมันเป็นที่ที่ที่อัตตาของโยมเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยนึกสภาพว่าก็เลยว่าดภาพว่าโยมอ่ะไปกาดเขาที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ขอบคุณเขาว่าทําให้โยมนึกขึ้นได้ว่าปัญหาของโยมเนี่ยกิเลสเนี่ยตัวอัตตามันออกค่ะพระอาจารย์ตัวโทสะอันเนี้ยค่ะพระาอาจารย์พอได้แล้วก็สุขหายโกรธ น, นะไหวก็เอาเนี้ยนนะคือ คือมันหาวิธีนานมากพ하자คือโยมลองใช้ใหญหลายวิธีมากมองเขาเป็นเป็นญาติเราหาวิธีท่านเม่ตามมันไม่ได้คือสุดท้ายแล้วมันมันมาจบที่โยมนี่แหละเลวเองเพราะว่าเขาไม่ได้โทรศัพท์โยมแต่โยมเนี่ยโทรศัพท์แล้วแบบจะไปเอาคืนทางคําพูดอย่างเงี้ยเขาอะพระา하자แล้วแบบคือเขาอะพูดมาคือมันกระทบโทรศโยมแล้วละโยมเลยไปโกรธเขาแต่ตอนนั้นอะคือไม่ได้ตอบอะไรกลับไปคิดว่ามันจบแล้วแต่ในใจอะมันยังขังไว้อยู่แล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บอะ แล้ก็มาปรุงเป็นพยาบาทวิตกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วตอนเนี้โยมก็กลับไปรองพยายามถึงหน้าคนเนี้ยมันไม่มันเฉยเฉยค่ะพระอาจารย์มันมันมันจบแหละคือมันโล่งเลยพระอาจารย์คือเหมือนกับว่ามันคือแบบมันมันมันโล่งค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าจบจบก็คือไม่ไม่ติดใจอะไรกับเขาอีกค่ะพระอาจารย์คือมันไม่ขังแล้วเพราะว่ามันมันมันมันจบที่โยมมันโยมคนชั่วเอง ใช่แล้วโยมขอบคุณเขาในใจด้วยพี่ยาวยมกรากเท้าเขาเลยพระอาจารย์นึกภาพเขาเลยกราบเท้าเขาเลยที่ทําให้โยมอะเห็นกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในใจของโยมอย่เงี่ยค่ะพระอาจารย์อือมแก็บางทีเราใช้เวลาหน่อยนะก่อนจะวิเคราะห์พระอาจารย์จะโยมมใจร้อนจริงๆโยมจะนอนก่อนแต่แบบไม่เอาโยมคิด เ, เดี๋ยวโยมรอไม่ไหวโยมก็คิดอยู่น้าเน่ยคิดอยู่หน้าเน่ะคิดจนแบบท้อจนแบบเฮ้ยแต่สุดท้ายมันก็ได้จ้ะค่ะพระอาจารย์อืม แต่ถ้าเป็นตัวอื่นน่ะมันก็อาจจะมีที่เป็นอยาอัตราอย่างเช่นว่าเจ้าตะวันอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีพูดแล้วไม่เชื่อฟังมันมันก็เป็นอัตราแต่ว่ามันมันอัตราสําหรับคนที่แบบระผูพันมากมันก็จะยากหน่อยเด้อค่ะอาจารย์แต่อนี้คือเขาเป็นคนนอกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันอาจจะแบบอาจจะง่ายหน่อยอืมค่ะอืม่ายเลยมันมหาศย์มากเลยค่ะอาจารย์แบบมันมันตรงกับมันอาจจะตรงกับนิสัยโยมด้วยไหมคะอาจารย์แล้วมันมันก็เลยแบบหมวนวางเลยเหมือนแบบหนักหนัก แบอยู่บนหัวนี่มันหล่นปุ๊บเลยพระอาจารย์โล่งเลยค่ะพระอาจารย์อืถ้าเจอหน้ากันอีกอ่ะคือตอนแรกโยมกูว่าถ้าเจอหน้ากันอนะมันจะรู้สึกสัญญาเก่ามันจะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะพระาอาจารย์แต่ตอนนี้คิดว่าโอเคแล้วอื ม, อมก็ดีแล้วก็เหมือนกับเรื่องที่ในหลวงร .9 ครั้งที่สถานทูตไทยถูกเผาที่ต่างประเทศ แล้วคนไทยก็อยากจะร่างแค้นจะไปเผาสถานทูตของเขาที่อยู่ในกรุงเทพในหวงไทก็ออกมาป่ามว่าเขาเผาเราเนี่ยเขาเขาเขาชั่วเขาเข า, เขาเลวเราแต่ถ้าเราไปเผาเขาเราก็พอๆกับเขาเลยใช่ค่ะอาจารย์<ๆ>มันมันใช่ค่ะอาจารย์<ๆ>คือคือตอนแรกอ่ะมันไปมองไปมองเขาว่าเขาเลวแล้วแล้วเราดี<ๆ>อย่างเนี้ย แล้วเราก็ไปปรุงว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้แต่ไอตอนที่เราไปปรุงว่าเขาเลวเนี่ยคือใจโยมนเลวเองพระอาจารย์ ม, มันก็เลยมีสติขึ้นมาค่ะพระอาจารย์เนี่ยมันเลวเรื่องของปัญญาบางทีมันก็ต้องใช้เวลาถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมไว้ก่อนหน้าจำลองเหตุการณ์ต่างๆพอมาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ได้จานองไม่าคาดฝันก็บางทีก็งงเป็นไก่ตาแตกมัน ก็ตอนแรกมันไม่รู้ตอนแรกมันใช้อดทนไว้ก่อนยังไม่พูดอะไรยังไม่ไม่ไม่ตอบโต้อะไรคือคือรู้ว่าอยากจะตอบโต้ตอนนั้นแหละแต่ก็อัานไม่ก่อนใช่ค่ะนึกว่ามันจะหายนะคะพระอาจารย์คือเหมือนมันขังอ่ะมันขังอยู่แต่มันไม่หายอ่ะแล้วมันกลับมาบ้านมันเป็นพยาบาทพิจโตตอนเราเขืออย่างเงี้ยพระอาจารย์อืมโอเคจะพาพระอาจารย์มีท่านนี้แหละมีอีกค่ะเดี๋ยวค่อยไว้อ่าเอาไปเอาเป็นตอนต่กันแล้วกันนะเดี๋ยว มันมีพระอาจารย์ที้แบบโยมมาตแล้วเหตุการณ์นี้มันผ่านไปโยมเอาไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างอื่นด้วยค่ะพระอาจารย์เป็นบางเรื่องนะคะพระอาจารย์เนี mm ่ยงเขาเดินกินเอย่างเขาเดินกินกินกินทางเรามาอย่างเนี้พระอาจารย์มันเป็นอาตาัตราถ้าเรายอมหลบไปเขาเนี่ยแปลว่าคุณเหนือกว่าเราอะไรแบบนี้ยพระอาจารย์ mm hmm. แต่คือตอนนั้น่คือเราประชวแล้วแหละอเพราะถ้าโยมชนะตัวเองไม่ได้อ่ะถ้าโยมเอาชนะคนอื่นอะ เหมือนมันจะชนะแต่คือแพ้คือโยมนกชนะใจตัวเองก่อนคือต้องชนะไอตัวอัตตามันจะเหมือนว่าเราพ้อเขาแต่เราชนะอัตตาของเราคือจุดมุ่งหมายของโยมคือตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ต้องชนะตนเป็นยอดเป็นยอดคนชนะคนอื่นก็เป็นไปไมาคาดพยาบาทไม่มีวันจบใช่วรกไม่มีวันจบใช่ค่ะอืมมันเหมือนจะชนะก็ต่างไปคำพูดนี้มันไม่ง่ายแบบเวลาทำมันยากนะ อารเวนย่อมระงับโดยการไม่จองเวนอ่าเดี๋ยวได้แล้วมันภูมใจนะคะพระอาจารย์มันได้เพราะมว่าตอนแรกมันยากมากเลยมันพอทําได้แล้วอุ้ยเราก็ทําได้อ่ะมันก็มันก็มันก็ภูมิใจอยู่ค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเห็นการเกิดเหนวงลานะดีมัน ดีมันไม่ผ่านไปสามเดือนเราก็ไม่โผล่มาโอ๊ยก็แย่เหมือนกันบางทีโดนเขาพูดคาไม่ดีคําเดียวตอนเช้าตอนเย็นยังก็ยังคิดถึงอีกวันอยู่นั่นแหละแบกมันอยู่ได้ตอนแรกเหมือนมันไม่ได้คิด่ะอยู่ดีมันก็มาแสดงว่ามันมันหลบนายใช่ไหมคะอาจารย์อเราไม่ตอบโต้เมื่อผ่านไปแล้วไม่ได้คิดเลยเลยนะจนอยู่ดีจะนอนเนี่ยมันก็พุบขึ้นมาเราก็เอาแล้วอออืืมันมาแล้วพยาบาทบิตก ก็ดีอย่างไ้รู้ว่ามันเป็นอะไงแล้วก็รู้วิธีจัดการเไม่ใช่ไปโทรประกลับไปด่าเขาก็ได้ไงยอมกลัวถ้าโยอมไม่จัดการนะคะพระอาจารย์ถ้าโยอมไม่เอาเดี๋ยวไปอีกเน่ะเดี๋ยวเยมันต้องมีมาแน่ๆแหละยอมก็กลัวตรงเนี้ยกลัวจะไปทําตรงเนี้ยอืมการนี้มาแล้วทนายเจ้าว่ใช่ไม่แล้วแม่คะเพราะยอมมันผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วแล้วก็พยายามคิดถึงคนเนี้ยอีกอ่ะไม่ไม่ไม่ไม่ในแง่บวแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ในแง่บวแล้ว เฉยเปดูไปสุดบางเฉยได้นะอืมแต่ไม่แน่ครั้งต่อไปเขาจะปล่อยอะไรอีกโยมก็อาจจะมีอีกก็ได้โยมก็ไม่แน่เหมือนกันมันแล้วแต่เ <Okay. S 2> นแต่ก็ค่ะอาจารย์อาจารย์ใการนะแต่เ ข, ข, ข, ขาขอบคุณขอบพระคุณข่าอาจารย์อ่าสาธุ <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นธรรมทานกับท่านผู้นที่ฟังอยู่ด้วยก็แล้วกันนะอ่าคุณฝนกับน้องทีม ทำไไหน้องทิมหวัวแล้วทิมมีอะไรหมขโทษกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ฮลัลโหลทิม้านมาได้ยินเสียงแล้วอ๋อเจ้าค่ะพรอาจารย์ก็ของน้องทิมก่อนวันนี้มีอะไรจะกลับเรียนพอาจารย์ไหมวันนี้ไม่มีอะไรกลับเรียนพรอาจารย์ช<ะ>่ว ง, ง, งนี้ก็นั่งสมาธิตามปกติตลอด กี่นาทีครับห้านาทีครับทุกวันรู้สึกยากไหมห้านาทีนี่เกือบทุกวันครับอเวลานั่งรู้สึกยากไหมห้านาทีกว่าจะจบเนี่ยยาวไหมห้านาทีรู้สึกว่าตงกลางครับกลางๆเลยอ่ามันเองแต่ก็ยังยังไม่นิ่งนั่งดีๆสิแต่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับเวลานั่งนั่งยังไงนั่งเฉยๆแล้วนั่งแล้วต้องทำอะไรหรือเปล่าเวลานั่ง พยายามเอ่อนั่งเฉยๆครับแล้วก็พยายามที่จะนั่งปุดทรวงปวดทรวไม่ก็ท่องอินทรีย์โสครับอพยายามท่องไว้นะอย่านั่งเฉยๆถ้า น, นั่งเฉยๆมันจะรู้สึกนานนะแต่ถ้าท่องอินทรีย์โสไปเพียห้านาทีก็แป๊บเดียวแม่ครับจะมาที่ตบตามจะ้ะ คุณแม่เบรย์ร้เปล่าของนูลนะคะก็จะมากลับเรียนพระอาจารย์ว่าวันนี้ก็ปฏิบัติบูบชาอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อาจจะยังมันเหมือนยังทําได้ไม่เต็มที่อะคะ่ะเพราะว่ายังยังมีกิเลสอยู่บางตัวที่รู้สึกว่าคือเหมือนพอเราผ่านกิเลสตัวนึงอย่าเรียกว่าผ่านพอเราพอเราแบบ บางครั้งเราชนะกิเลสตัวหนึ่งได้มันก็จะมีกิเลสตัวใหม่มาทดสอบอะค่ะอย่างช่วงนี้จะเป็นเรื่องการงดอาหารนะคะพระอาจารย์ที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าลําบากแล้วก็เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัตินะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันทำให้นั่งเรามันง่วงนอ น, นะคะ่ะถึงแม้จะมันจะพยายามงดอาหารแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังแบบยังยังทําได้ไม่ดีเจ้าค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าอาหารมันก็ยังง่วงอยู่ คือล อ, ลองแบบว่าคือคืออย่างอย่างล่าสุดเนี่ยหนูก็จะพยายามทานอให้จบภายในมื้อตอนตอนอย่างอย่างมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนูคงกลัวว่าเหมือนแบบว่าเออมันจะหิว่ะค่ะตอนเย็นก็เลยอาจจะอาจจะช่วงเที่ยงอาจจะทานเยอะไปหน่อยอะค่ะพรอาจารย์อะไรง่วงค่ะตอนนั้นคืนนั่งแล้วมันมันมันง่วงอันนี้ยอมรับเลยค่ะคือมันเลยทําให้นั่งได้ไม่นานค่ะแล้วมันอึดอา่านะคะพระอาจารย์ ก็อย่าไปกลัวความหิวความหิวเมื่อเป็นพิษเป็นพายตัวที่เป็นพิษ เ, เป็นภัยก็คือตัวความกลัวความกลัวทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่กลัวความหิวอยู่กับความหิวไปมันก็ไม่ไม่เราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็เพียงแต่รู้สึกว่ามันวิววิวเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็บังคับใจให้เราสงบอาศาัยความหิวมือตัวบังคับให้เราทำสมาธิทำเจริญสติดีกว่า ถ้ามันอิม่มันก็ไม่มีปัญหาใช่มันไม่เป็นปัญหามันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้สติหรือใช้สมาธิแก้ ม, มันการมีความหิวนี่มันเป็นเหมือนการสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้ใจเรามาแก้แก้้วยวิธีปฏิบัติธรรมในสติสมาธิหรื อ, รรอช่วงช่วงนี้หาเรื่องเรื่อง เรื่องกินเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเป็นอั น, นอันนี้เป็นตอนนี้เป็นอุปสรรคค่ ะ, คะ<ม>พระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะลองลองดูว่าเหมือนแบบอาจจะทานให้น้อยลงอ่ะคะ่ะอาจจะทา น, ม, น ม, มันกลความผิวป้ายมันหิวมองความหิวว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากันเลยเพราะมันจะทําให้เราต้องแก้ปัญหาทุกบ่มีปัญญาบอกเกิดนเพอมีทุกข์แล้วทีนี้เราจะต้องทงําเอะไรกับความผิวนี้ ยกเว้นจากการไปกินเท่านั้นที่เราไ ม, ไม่ไม่ไม่แก้เลยวิธีการกินอันจะแก้ในการฝึกจิตให้ปล่อยวางให้จิตสงบให้อยู่ความหิวไว้ได้เเดี๋ยวลองดูค่ะคือคือมันจะมีสองกรณีนะคะพระอาจารย์กรณีแรกก็คือแบบว่าจะทานทานเยอะตอนเที่ยงไปเลยใช่ไหมคะกับอีกกรณีหนึ่งคือแบบว่ามัน มันอดไม่ไหวอะค่ะคือเหมือนว่าคือไม่ได้ทานเข้าเย็นนะคะแต่มันก็จะกินนู่นกินนี่คือคือรู้ค่ะพราจ하า자คือรู้คือรู้ค่ะรู้แต่ว่าแบบรู้ว่าอันนี้สิเนี่ยเรากินเนี่ยมันเป็นเพราะความอยากอะค่ะมันมันเป็นความ <blast. S 2> อ, อยากเลยะค่ะคือมันมันเห็นนะคะพ하า자ามันรู้นะคะ hmm. ว่ามันกินเพราะความอยากมันไม่ได้กินเพราะแบบร่างกายมันต้องการนะคะแต่ว่าเหมือน เหมือนก็ยังเอาชนะมันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยส่งผลกับการปฏิบัติในช่วงช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ใช่ ม, มันจะทำให้การทําใจสงบได้ยากหัวใจเราจะไปคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวไม่มีสติอยู่ชใช่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อ้ยอมรับค่ะว่ามั น, นคือช่วงนี้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคจริงๆนะคะ<ม>พระอาจารย์<ม>เดี๋ยวคงจะต้องต้องหาทางแก้ใน พรีวิาการม า, มามชันท่านนีวอนนวอนมีอยู่ห้าตัวตัวที่ร้ายกาจก็คือการม า, า, มาชันท่าไม่อ YouTube นอนคีนเงียบดู y o u t u หรือว่าฟังเพลงหรืออะไรทุกอย่างามันจะมาคอยรบกวนใจทำให้ใจไม่สามารถจะไป น, นั่งสมาธิไดแบบ้เหมือนพอเราเอาชนะการมาชันทา่างหนึ่งคือคือเดี๋ยวนี้หนูเป็นคน เราไม่ฟังวิทยุมานานมากแล้วค่ะพี่อาจารย์ในรถคือไม่เปิดเลยจะเปิดก็ทํามาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีเ อ, อมีเรื่องกรรมฐันทางด้านอื่นเข้ามาแบบเข้ามารบกวนนะคะเราอย่างเงี้ยพอเรามีปัญหาเรื่องการกินใช่ไหมคะมันกระทบกับกับกับทําให้เราอค่ะเราอาชนะความง่วงไม่ได้ค่ะตอนนั่งแล้ว ร, รู้เลยค่ะว่าอันเนี้ยคือการนั่งที่ต่อให้เราพยายามจะประครับประคองให้มันมีสติอะค่ะ มันก็มันก็จะมันทําไม่ได้มันดึงไม่ได้เลยต้องสํำนวจ่าหูจมูกเส้นกายอยากไปสัมผัสชาวรูปเสียงกินด้วยต่างๆมันอยากเราต้อฝืนไว้ดูดูเรื่องอาหารด้วยอ่ะก็เลยอาจจะมีสอนเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่องขนมอะไรนี่เหมือนกันเป็นรูปเสียงกินรดเหมือนกัน ออันอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อบกพร่องช่วงช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกันจ้ะคนส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็เพราะการมฉันท่านเดียวอ่ะสึกว่าอยาจังยาจะดูอยากจะฟังอยาจะกินอยาจะเหนื่อยมากกว่ายาจะไม่นั่งเบบ <laughs> อ ย, อย่างปีที่แล้วค่ะช่วงช่วงที่ฟิตนี่คือจะทําได้ดีมากเลยค่ะคือมันเหมือนก็อย่างที่พระอาจารย์เคยสอนเนะมันช่วงไหนที่ฟิตก็ให้ระวังเอาไว้ว่ามันแบบเดี๋ยวมันก็จะมีดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก, ก็มาช่วงนี้ก็ก็รู้ว่าแบบจะโดนการมาฉันทาเล่นงานอย่างปีที่แล้วเนี่ยทําได้เลยแบบอาทิตย์หนึ่งนี่คือแบบสามารถที่จะถือศีลเจ็ถือศีลเจ็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนพื้นนะคะได้แบบอาทิตย์ละวันเลยค่ะแล้วก็แบบ ทำได้แต่อย่างมากเข้าปีเนี้ยก็ก็ยังทําได้ไม่ดีค่ะในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะ<ม>จะตั้งเป้าเอาไว้ที่เคยกับเรียนพระอาจารย์ว่าจะตั้งเป้าเรื่องการงดอาหารนะคะก็เดี๋ยว<ม>คงจะต้องต้องเซตโก้คือจะต้องพยายามไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ยอมทุก็เราจะได้แก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่ได้แก้มค่ะ่ะไดด้เดี๋ยวเวลามันต่อไปมันเกิดขึ้นมาเราจะไม่สามารถจะแก้มันได้ อันไม่ทอมบไม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําตามที่พระอาจารย์เอแนะนำค<ม>่ะพระอาจารย์เรื่องเรื่องที่ยอมให้มันทุกข์เรื่องยอมให้มันหิวไปอะคะ่ะยอมให้มันหิวไปก็แล้ ว, ลวใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิมาแก้มันดีกว่าค่ะได้จะ้ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ปฏิบัติบูชาถวายพระอาจารย์นะคะก็แล้วก็แบบว่า ก็พยายามแต่ที่เท่าที่กําลังของของสติจะมีได้ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็พยายามทําตลอดทำเท่าที่ทำได้ไปไม่๋ยวไม่ทยไปทำค่ะทำค่ะก็ก็เดินจงกรมในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ตอนบ่ายก็นั่งสมาธิไปฟังธรรมไปอะไรเงี้ยก็พยายามปฏิบัติพยายามเท่าที่กําลังของตัวเองจะทําได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาส่งการบ้านใหม่เจ้าค่ะพระอาจาร่าทุกข่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะ อไปที่คุณยายเขาสันโดษสันโดษได้ก็เป็นเชื่อคุณยายเป็นมักน้อยแล้วเราสันโดษคุณยายก็ต้องมักน้อยเราจคู่กได้ว่าไงครับคุณยายมักน้อยอาจารย์น้อยอยู่แล้วค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่คุณยายเข้ามากราบอาจารย์เในวัน วบบันนี้ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับมาเขาบูชาบ้างหรือเ่ามีการบูชาหรือเปล่าทำตั้งแต่เช้านะครับอาจารย์วันนี้สวดมนต์ทำว่าเช้านั่นสมาธิครับผมชมเชยเช้าทำแบบขอเปทีหลือว่า ท, ท, บบทําทเพื่อให้เกิดผลนีอะไรนะครับอาจารย์ทำแบบขอเปทีหรือว่าทําเพื่อให้เกิดผลก็พยายามทำให้ผลมันเกิดแต่ผลจะเกิดไม่เกิดนี่อีกเรื่องนึงครับ ไม่ใช่ว่าทำเะแต่ว่าต้องย้ำเวลาจำเป็นจะต้องทำก็ทำไปให้มันผ่านผ่านไปถือว่าเราจะไดะ้ไม่รู้สึกกิวตี้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วทำเพื่ออยากจะให้มันเกิดผลที่มาเลยก็ปยายามให้มันเกิดผลยิงเข้า่าครับอาจารย อาาจแล้วทําอะไรต้องพยายามให้มันแรงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วพยายามทําเหตุที่ทําให้เกิดผลนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อย่าไปทําศักแต่ว่าทําแล้วทาแบบขอไปทีให้มันผ่านไม่ผ่านไปครับอาาจไม่ได้ผลก็เท่ากับไม่ได้ทําถ้าทําแบบขอไปทีก็เหมือนกับไม่ได้ทำํำเข้าใจเ ไ, ไ, ไหม ถ้าทำเพื่อให้มีเกิดผลนี่ยเราตั้งใจทใําำผลนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นมาเกิดแล้วเราก็จะได้มีความเพิ่มปิติมีความสุขแต่ถ้าทําไปแล้วไม่เกิดผลก็ต้องเสึกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรรู้ทําไปทำไมบางทีเราไปมันก็อาจจะท้อได้เบื่อได้อการเป็นผลจา ก, การปฏิบัติธรรมนี่เป็นผลที่เหนือกว่าความจริงต่างๆนะ ล้าเราเน้นสัมพัสกับมนะันแล้วมันจะติดใจต้องตั้งใจทําต้องตั้งใจทํามีอะไรไหมอาจารย์ก็เลอกถึยอยู่ตลอดนะคะก็เคยคุณยายก็พยายามทําใจให้สงบไปเรื่อยๆนะอย่าไปวุ่นวายกับใคร ใช่ก็ว่ายพักทุกวันนะคะอ่าดีอ่ ะ, อ, ะอยู่ความสงบดีที่สุดความสงบเราจะไม่ทุกข์ค่ทุกข์เพใจไม่สงบใช่ก็อยู่แต่ลูกหลานลูกหลานนะคะอ่าดีอ่ะก็คนก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเออแต่ยังไม่ทุกข์เขาเขาช่างจะเป็นอะไรกันเรื่องของเขาก็ไม่ได้อะไรกับใครนะ ก็โดยธรรมดาแล้วยายก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่พูดมากไม่อะไรกับใครเลยนะคะพูดแต่สิ่ดีดีมากคุณยายรักษาสุขภาพนะโอเคขอบคุณอาจารย์วันนี้มีเท่านี้อาจารย์ฉันโดน พยายามก่ับไปเหมือนตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะสิตอนงที่เริ่มต้นต้องแสดงว่า ม, มีความสมัดสมเอ็นมีความเอาจริงอาจังการไปจัดรับทราบครบ <c oughs> โอเคสาธุคุณอาจารย์ผมพี่ลนุ่นนมม ก, กูเห็น่ผมเหรอกล่าวกับการพัคะ่ะเดินรอ Q คิวค่ะมาแล้วคะ่ะ วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยนะฮะอาจารย์ก็ไม่เหนื่อยเพราะเราโชคดีเราเดินไม่ได้แล้วั้นนั่งบินนบถ้าเดินคงจะเหนื่อยแน่เพราะต้องสองชั่วโมงกว่าพอเห็นที่กุฏิก็สี่ร้อยกว่านบัติพดีวันนี้คนหนึ่งพันสองร้อหสิบพอดีเป๊ะเลยแล้วรับตักบาทเยอะหมฮะหนึ่งพันสองร้อห้าสิบคนนะโอ้โหฟังเทศก็พันสามวเนี้ เท่นะครับมาตันบายาวนานกิจกรรมยาวนานวันนี้ต้องสองประมาณสองชั่วโมง2ี่สนาทีถึงแคเสร็จบินเท่านปกติจะใช้เวลาชั่วโมงนี้สองเท่ากว่ากั็คิวคิวที่หน้าุกติก็ยาวเฟื้ยเลยเกือบเจอเกือบเจอห้นาทีเห็นกลับจะบินท่านั้นนะคะเห็นคนก็มารออีกเยอะเายค่ะท้ยของอีก ดูรู้สึกสดชื่นดีนะฮะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ออกแรงอะไรเพียนัน่งเฉยเป็นส่วนใหญ่ได้ได้ฟังเทศวันนี้วั น, ว น, ว น, ว น, วนครับผู้ชาก็รู้สึกดูดีค่ะฟังดี<ม>เข้าใจง่ายแล้วเอาสาระค่ะก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันอย่างให้ให้จริงฟังดูง่ายนะคะ เป็นโอวาทปฏิโมอง์ที่ฟังดูง่ายแต่ว่าสามข้อท่านเองใช่ค่ะก็จะทำได้ทุกคนทั้งโลกก็คงมีความสุบสุขนี้นี่ก็มากับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ทีเชครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอใอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะขอบพระคุณค่ะใปเตยคุณบาลีตะคุณมาลี การหลวงพ่อค่าเป็นยังไงมีอะไรไหมจริงวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่อแต่ว่าก็มีมีเหตุการณ์ที่มันใกล้ตัวค่ะหลวงพ่อวันเนี้ยวันนี้คือมีคุณครูที่นักเคารบค่ะหลวงพอคือนัดนัดจันทําบุญตอนเช้าที่วัดอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ ออกจากบ้านมาไม่ถึง5านาทีท่านก็โดนรถชนเสียชีวิตเลยอะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกว่าความตายมันอยู่ใกล้เราอะค่ะหลวงพ่อมันไม่ได้อัจจะเป็นเราก็ได้เนีเป็นใครก็ได้เมื่ค่ะแล้วก็จิตมันก็นึกเลยว่าคิวแล้วเราละแล้วเราจะถึงคิวตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยมันเหมือนกบบ เอามันนึกบ่อยๆฉะนั้นไม่ประมาทนึกทำอะไรกิจที่เราพยายามทำให้มันเสร็จให้ใหเสร็จสิ้นค่ะแต่หนูก็ไปวัดปกติก็ไปทานไปฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติภาวนาอะไรเงี้ยแล้ว<ม>ก็ก็คือรักษาใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้ววันนี้วันนี้ที่หลวงพ่อเทศวันมาค่ะค่ะที่โต้วาแต่ว่าให้ ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์มันก็คือมาสรุปถึที่ทานศีลภาวนาหรือไม่ก็สติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อสุดท้ายก็คือสติคำเดียวอะค่ะหลว ก, ก็ที่ที่เราถ้าเราเรามีเราทันมันก็ทำให้จิตใจเราเสงบล่มเย็นทำให้พูกเราน้อยให้เรามีความสงบในใจแล้วก็กิเลสในใจก็ลดลงเบาบางลงอย่างเงี้ยค่ะออ ก, ก็ต้องพยายาม ทำไปเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะเแต่ว่าสติมันไม่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างท้าวอนต้องใช้ปัญญาใช่ค่ะตอใช้ปัญญาต้องใช้ใจนะต้องใจริงหก็เลยค่ะมองเห็นถึงเอ่อเส้นทางหรือว่าความที่เอ่อพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ครูบาอาจารย์นำมาบอกต่อสอนต่อเหนแนวทางเส้นทางว่าเราควรต้องปฏิบัติยังไงค่ะ ปฏติหาที่ปัญญานนั้นตัวนี้ค่ะค่าหลองพ่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อยังปฏิบัติอยู่แล้วก็รักษาใจได้ค่ะโอเคค่ะรักษาศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ค่ะไหลใจวิริยะความขยันหมั่นเพียรผักดันการปฏิบัติของเราไปค่ะใหปถึงที่สุดค่ะ ไม่นานหรอกไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปอหนจะพยายามค่ะหลวงพอคือก็พยายามตั้งใจตั้งใจอยูค่ะทำไมก่อนเด็กๆก็ยังสมณียังบรรลุธรรมได้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ทำไมจะบรรลุไม่ได้ก็ก็มีความคิดว่าเอ๊คือทําไมทําไมเราถึงทําไม่ได้ก็มีมีความคิดแบบอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อึกถึงครูบาอาจารย์ที่เวลา ท่านไปอยู่ป่าอยู่เขาท่านลำบากแล้วแล้วเราบางทีก็นึกว่าเออแล้วเราจะมีแรงมีสติมีปัญญาจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหลอพอแต่ว่าถ้าเราหมดแต่คิดแบบนี้เราก็จะไม่มีธงที่เราจะเดินไปถึงตรงนั้นก็เลยตัดความคิดตรงนี้ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องพยายามทาให้นดนดีที่สุดนะคะหลวงพอ่อทล้นไปถามไปหาข้อสอบทำ ท่าท่านมีทฤษฎีแล้วนทะ่านทํางานบ้านนะแล้วแก่เจ็บตายแต่ท่านจะไปเจอข้อสอบจริงๆอมา<ฆ>ทําใจได้หรือไม่เวลาเ้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนี้หลงพ่อ ก, ก, ก็ใกล้ใกล้มากแล้วค่ะหลวงพ่อหลายๆยารอบๆตัวเราอย่างนี้เขานึกเลยว่าเราตอนไหนอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ แล้วมันก็ไม่มีแต่ไม่ไ ป, ปชิญหน้ากับของอรตจริงๆใช่ค่ะหลวงพ่อไม่ไปเจอบัญชิญกับมันก็แต่แต่ดีตรงที่ว่ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ที่อยู่กับใจเรามันมันก็เลยแบบอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะว่ามันไม่มีอย่างอื่นที่มาเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยถ้าเราไม่หวาดกลัวไม่หวาดกลัวความตายก็ ก, ก็ถือว่าดีแนละ้วคิดถึงความตายแล้วเราเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดา ค่ะแค่แค่นึกว่าเมื่อไหร่จะถึงตาเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อวา ม, มนะแอบถามเรามาถ้าเกิดวันนี้เราต้องไปเราพร้อมได้ยังหนูคิดว่าหนูพร้อมค่ะหลวงพ่อมไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้กลัวความตายเพียงแต่ว่ามันก็จะมีห่วงอยู่สองห่วงแค่เนี้ยที่หนูเคยเรียนหลวงพ่อว่ามแม่กับลูกแต่ทีเนี้ยมันนึกอีกทีหนึ่งว่าถึงถึงเราไม่อยู่เขาก็ต้องอยู่ได้เพราะว่า เราก็ไม่สามารถจะกลับมาดูแลอะไรเขาได้มันก็เลยว่าเออเมือ่อไหร่ก็เมื่อนานอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหรือแม้เราไม่อยู่เขาก็ต้องมาอยู่กันเราค่ะหลวงพ่อ <c oughs> เขาก็ต้องต้องอยู่กันเองอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาก็ต้องไปอยู่ดี่ในที่สุดเขาก็ต้องไปเหมือนกับเราค่ะใครไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองท่านั้นเองค่ะงานจะไปวิ่งจบกลางวันกับาองสามวันก็เลยไม่ตัด คิดตรงนี้ไปเลยค่ะก็บอกกันอยู่เสมอว่ามไม่ไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมคะหลวงปอจะ ต, ตอนไหนก็แล้วแต่ค่ ะ, คะก็ยึดแค่มีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์สอนแล้วก็นําทางเราอย่างเนี้ยคสารักษาใจไปเรื่ อ, อยๆค่ะซ้อมอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดวันนี้เราต้องไปเราพร้อมไม่อยอมทําทําทุกวันตื่นนอนขึ้นมาแล้วนอนวันนี้จ ะ, ะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือ เ, เปล่า ค่ะพยายามเราลึกถึงอยู่ค่ะน้องลูกดีโอเคถูกขอบคุณหลงพ่อมากค่ะสาธุค่ะคุณแนนคุดรนธานีน้องจาน้มสักการะะอาจารย์ล้วมีคาถามหรอคะโอเคเป็แบบไปที่คุณปรางว่าอะไรน้องมาสการะจกุก ค่ะวันนี้อยู่วัดทั้งวันค่ะในทั้งสองด้านก็คืออารมิสูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอ่าดีกทำเผื่อไว้เผยยังปฏิบัติไม่ไม่หลุดพ้อนในยังไงกล้าสายบุญกุศลเจ้าค่ะครับอขอบคุณ้าค ะ, ะไปดีคุณสุภาตจตากลับมาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไง ทุกอย่างต้องตัวเองตั้งแต่กลับมาอกอดเรื่อยๆเจ้าค่ะยังยังต้องใช้เวลาบางยังจัดเวลา ย, ยังไม่ค่อยได้เจ้าค่ะ<ม>แต่วันนี้ลูกก็ไปดูแลคุณแม่ทั้งวันคุณพ่อไปวัดเ<ม>จ้าค่ะแล้วก็พี่สาวไปทํางานก็เลยถือโอกาสไปดูแลพลาาระอรหันต์ที่บ้าน<ม>ทั้งวันเจ้าค่ะเหมือนเดิมเ<ม>จ้าค่ะ ต้องหางานไม่บังไม่ไม่ต้องหางานคทำอ๋อสมัครสมัครไว้เจ้าค่ะก็รอรอรอเรียกอิูเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าจะที่ไหนก็สมัครเอ่อบางที่แล้วค่ะก็ดูว่าถ้าก็ก็ดูว่าเจ้าค่ะว่าอาศัยความอดทนก็ต้องใจว่ามาหามาทําสวยของเราแล้ว ก็ไปอยู่ที่เขาจะเรียกร้อปว่าป่าใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็ก็เข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเปิดเทอมด้วยอะไรด้วยเจ้าค่ะก็ก็อาศัยความอดทนว่าเราทำหน้าที่เราแล้วที่เหลือเราก็ก็อาศัยความอดทนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานคุณแดนเนียลไม่ได้เข้านะเจ้าค่ะเพราะว่าเดินทางําเมือไทยเจ้าค่ะ อ่าตกลงกลับกับเจ้าค่ะไปอยู่ได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์อยู่ไม่อยู่ที่อเมริกาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจกลับมามีคนเยอะแยะอยากจะไปอยู่อเมริกากันแต่เขาตัดสินใจไปอยู่เมืองไทยนะคะก็คุยกันก็เขาบอกว่าก็จะลองดูสามเดือนว่าว่าใช้ชีวิตแบบคนไทยยังไงแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปเอ่อไป ค่ะไปใช้คำว่าไงเจ้าคะไปขายทรัพย์สินเพื่อจะมาอยู่ไทยเจ้าค่ะก็ก็ลองดูเจ้าค่ะว่าว่าจะจะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะก็ลองดูไม่แน่นอนใช่คนมันก็เปลี่ยนได้วันนี้เ็อย่างนี้พรุนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ใจเจ้าค่ะเรื่องของเขาเราก็แล้วก็เป็นเแต่กองชียร์ก็เชียอไปแล้วก็ ใเจ้าค่ะกรองเสียรก็เสียไปก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเจ้าค่ะแล้วแต่เขาคนลูกเองก็หนักพออยู่เจ้าค่ะแล้วแต่ตัวเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะสมัสการอขอบพระคุณเจ้าค่ะคนนี้สาเที่เอวเอเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่ในมัฑลการจค่ะพรอาจารย์ก็ที่นี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพรอาจารย์ อันนี้อากาศเป็นปกติและวค่ะตอนนี้ฝนมาค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนที่ต้องการฝนไม่ไม่มาค่ะตอนนี้ไม่อยากต้องการก็มากันใหญ่เลยค่ะพระอาจารย์กลัวจะทําให้แผ่นดินถลเล่มนะค่ะใช่ค่ะก็เขาก็กลัวเขาก็ระวังอยู่ค่ะป้องกันอยู่ค่ะก็ตอนนี้ก็คงตรงนั้นก็คงวุ่นวายดีค่ะกก็ไม่ได้ตามข่าวมากนะคะก็ เห็นอ่านอ่านนิดนึงก็บอกมีคนขายที่กันเยอะอะค่ะพัดชานแล้วคนทีม่มีบ้านอยู่นี่เขาไม่ทราบเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้างออืมเขามีน่าจะมีศูนย์ไม่แน่ใจอะคะ่ะมีเซ็นเตอร์อแต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้ตามข่าวเลยอะคะ่ะก็มีการจัดจัดคอ น, นเถอต์อะไรหาเงินให้ช่วยเหลือพวกคนพวกนี้แบบอืมไม่ไม่ไ ม, มีไม่เห็นมีมมนะคะ<ม><ม>ค่ะ แต่ว่า<ม>คงมีการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็มไม่ไม่งั้นคงคงคงไม่ยอมกันนะคะพระอาจารย์เป็นเืองในหัวยจการภัยนะนะค่ะใช่ค่ะมีประกันภยัยแต่ว่าถ้าบางบางบางบ้านบางบางบ้านบางคนก็ไม่มีนะคะ<ม>พระอาจารย์เหมือนประกันเขาก็แบบมไม่รับอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมตอนนี้ก็คงเป็นลําบาก ที่จะแบบฟื้นฟูช่วงฟื้นฟูค่ะอาจารย์เห็นแบบมีคนประกาศขายแบบว่าเฉพาะที่ก็คือแบบเป็นา a l f price ค่ะลดครึ่งราคาเลยค่ะอาจารย์ก็ไม่มีใครอยากได้ซบมั้งอันนี้ต้นขอต้นไม้ก็ไม่มีไม่มีแล้วค่ะคระล้มหมดเลยคงต้องฟื้นฟูกันใหม่เสียดายมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวก็ถ้าปลูกขึ้นต้นไม้มาเดี๋ยวมันก็บอดสาดซ้ํำลอยอีกนะ ใช่เพราะามันเป็นจุดที่แบบรับลมคะ่ะอาจารยก์ก็ตอนนี้ก็คงมีปัญหาเรื่องอการที่จะแับเก็บซากสลักปักพังอะไรเงี้ยไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน่ะคะอาจารย์เพราะว่าเอาหาหาที่ไปมันก็แต่ละพื้นที่คนในพื้นที่ก็ก็ไม่อยากให้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะอาจารย์ส่วนสำหรับลูกก็ วันนี้ว่าจะนั่งรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเสพข่าวมากไป น, นิดนึงค่ะอาจารย์ <laughs> แต่ปกติลูกไม่ได้ดูไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าวันนี้แบบเหมือนช่วงนี้เป็นรูข่าวนิดนึงก็เลยแบบคงวันนี้ว่าจะจะต้องนั่งแบบอยู่เฉยๆสักสี่ชั่วโมงค่ะอาจารย์จะทําให้ได้ค่ะอออืดีมการอาฉันท่ามาันได้งานแล้วนะ่า อ, อาจารย์ <laughs> เสพมากไปนิดนึงค่ะว่าแบบไปคิดเรื่องเรื่องที่แบบแล้วมันติดอยู่ในใจอะค่ะพระอาจารย์เลยรู้รู้ตัวเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไดมองว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์กันหน้าตาเนะค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ไปอินกับกับกับข่าวนั้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยค่ะพระอาจารย์รู้ตัวค่ะพระอาจารย์ อเดี๋ยวก็เลยจะคิดว่าวันนี้จ้าจะบอกแต่อยู่สักสี่ชั่วโมงดยุออ่ให้มากที่สุดตัดทุกอย่างยค่ะค่ะอยากจะทํามากกว่าสี่อาจจะแบบเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะขยับไปห้าหกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะดีก็มันต้องมีภาระแบบทําอาหารอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อยู่ที่นี่มันจะลําบากนิดหนึ่งต้องทํากับข้าวทานเองค่ะอาจารย์ ถ้าอยู่เมืองไทยก็คงสะดวกค่ะ<า>พราะจันทร์สาารถซื้อสั่งแก๊บส่งมาได้เลยนะใช่ซื้อง่ายที่นี่ก็ไม่ไหวอะค่ะซื้อไม่ไหวอ่ะค่ะพาาระจันทร์สั่งมันมันแพงค่ะพราะจานทร์ แ, แล้วก็แบบมันไม่ไม่ไมันอาหารมันไม่เหมือนเมืองไทยอะค่ะพระจานทร์ทำเองดีกว่านะค่ะทําเองถูกกว่าเยอะค่ะพระจานทร์อ่ะซื้อไม่ไหวอะค่ะพระจานทร์โอเค ทูต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏบิบัติบูชาวันนี้ค่ะพระอาจารย์ยดวย้วยด้วยการปฏิบัตินะค่ะไม่ท้อค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะคนที่ติดมายังไงวันนี้สินแปะหรือเปล่าตามมรสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไว้ได้สินแปะค่ะน่าจะเจ็ะค่ะพรจารังไงเขอกินานาหาร ใช่ค่ะตอนนี้ลำบากนะยากนะลำบากนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเคร่งเหมือนเดิมแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามค่ะคะอาจารย์ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะไปที่กุศลกถาเชิญากาศลกถาชายหน้ามาฟังทำค่ะพระอาจารย์ไม่มีปัญหาค่ะสาธปฏบิบัติอยู่ค่ะโอเคทําใจให้สงบหนะ้าจ้ น้องเลนนเชิญค่านวัฒการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไ้ยวันนี้อืมก็แค่อยากบอกพระอาจารย์ว่าตั้งแต่ที่ได้ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดค่ะก็รู้สึกว่ามีกาลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นค่ะแล้ววันนั้นก็ได้กลับมาอ่านหนังสือของพระอาจารย์ด้ยค่ะคือเปิดใจเปิดธรรมค่ะ แช่ก็ได้รู้สึกว่าก็จะปฏิบัติไปเรื่อยพระอาจารย์เองที่ปฏิบัติมาก่อนยังบอกว่าตอนแรกมันก็เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาค่ะใช่ค่ะทำอดได้ควาพยายามมากเลยแต่พอมันถึงถึงแล้วมันสบายค่ะเอออาจจะรู้สึกว่าแบบตอนนี้เออเป็นคาราวานมีแบบสิ่งมากระทบเยอะมากๆอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าจะใช้ช่วงเวลา ให้มาที่สุดในการแบบปฏิบัติหรือรู้สึกตัวค่ะพระอาจารย์พยายามอย่าออกไปรับเสิพยายามอยู่บ้านเก็บตัว <c oughs> ถ้าออกไปข้างนอก ม, มันก็ต้องไปรับผลรับกับสิ่งต่างๆที่มากระทบใจเราแต่ <c oughs> ถ้าเราหลบอยู่ในบ้านไดก้ก็ไม่มีอะไรนอกจากกิเลสของเราที่จะคอยมารบกวนใจเราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ครั้งวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากแบบมีมิชั่นให้ตัวเองเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีกิเลสเรื่องการกินเหมือนกันค่ะว่าแบบอยากจะตั้งใจแบบกินอาหารมื้อเดียวคือจริงๆก็กินมื้อเดียวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบอาจจะมีแบบกาแฟเครื่องดืด่มขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอาจจะแบบตั้งใจแบบกินแต่เฉพาะมื้อเดียวพอพอพหมดแล้วก็เลิกเรื่องกินไปเลย ยังเลี้ยงน้ำวันเดิมน่ะน้ําเปล่าไปจบเพราะว่าแบบเครื่องประดับเครื่องหอมอะไรเงี้ยเอิงไม่ไม่ใส่มานานมากแล้วค่ะน่าจะเหลือแค่เรื่องกิ่นนี่ค่ะค่ะอาารย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณยินดีเป็นอะไรนี่อากาศเป็นปกตินี่ตอย้ายที่เราใช่หมเมื่อวนไป ท่าอาจารย์ตอนนี้มาอยู่ที่ใหม่นะคะ่นะแคนาดาเลใครยังอยู่ที่โรงแรมอยู่ค่ะบ้านว่างวันที่หนึ่งค่ะอยู่เมืองอะไรนะที่ออสอค่ะท่าอาจารย์ P L A W A P L A W T S แล้วก็ B U R G อ a ส s ปอร์ออสเปอรยอ์านอาจารย์อยู่รัฐนิวยอร์กนะท่าอาจารย์อยู่ติดกับแคนาดาค่ะ แวมมุงค่ะแวมมุงแอพลงค่ะท่านอาจารย์ก็ดีได้เปลี่ยนที่ค่ะท่านอาจารย์ new experience ค่ะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดก็ฝากกลับท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขออา <Okay. S 1> จารย์มาสะจ้ขอบคุณมากนครับบ้าเต้อบบอจงเต้ค่ะท่านอาจารย์ใช่ เขาบอกเ <Okay. S 2> ขาบอกว่าเย่าลืบอกท่าอาจารย์วันซองเต้ปาบอกท่านอาจารนะจยาาร์ด้วย yeah. ออขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์กตาคุณแม่วันนี้คือแม่อยู่ป่ะมาแล้วยงไวันนี้มาฟังทรรคนเยอะไหมที่เ <c oughs> ตินมรสก า, ารนพระอาจารย์ <c oughs> เยอะเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์มีไงมีอะไรไหม ก็ก็วันนี้ก็เข้าใจเข้าใจถึงคําสอนของบรมคัชบูชาค่ะ <tim. S 2> เข้าใจเมื่อก่อนไม่ได้แค่ท่องอะค่ะแต่ตอนนี้ที่ฟังวิาจารณ์เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องเออ่ละความชั่วทําความดีต้องละความชั่วก่อนแล้วก็มาทำความดีเพิ่ม so เติมแล้วก็ทําจิตใจให้ปองไซนั่งาแล้วก็ก็เท่านี้พยายามยทำไม่ได้ ถือศีลห้าห้าไปแล้วก็ทําบุญทําทานตามโอกาสตามกําลังเราไปค่ะและ้วก็ถือศีลด้วยค่ะ<แ>อย่างวันเนี้ยหิวอาการมือเย็นไม่ทันมือเดียวค่ะพานก็ถือศีลด้วยกันงับกามาฉลองค่ะนึกถึงคําสอนของพ่ออาจารย์นะคะ่ะบอกว่าถ้าหิวปล่อยให้กิเลสมาลางลางไปแล้วก็ต้องกลับหมวเวียนไหว้ตายเกินอย่างนี้อีกค่ะก็ก็อดได้อื ที่ถึการเป็นไหวตาเก่แล้วมา จ, จะทําให้เร า, าหดซู้งนะไม่อยากจะกลับมาไก๋แล้ ว, แ ล, วแล้วก็ม่รู้จะเกิดยังไงด้วยไดูคนที่อขาต่อยมาลำบากเขาแย่เนี่ยนะอาจจะเกิดกับเราก็ได้นะไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมาพบพระอาจารย์เนี่ยก็มีกําลังใจในการปฏิบัติที่ไปไปที่กุฏินะคะก็ไปที่หน้ากุฏิอ่ะก็เหมือนกับว่าได้ไ ป, ไปเติมศรัทธา ให้มีทางกลับมาปฏิบัติธรรมต่อค่ะการนับฟังเทศฟังธรรมนั้นช่วยเสริมสัทธาใช่เสริมฉันทะวิริยะความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปอ่าเองก็เห็นเห็นช่องทางมีความหวังมีความหวังที่ตัดการเกิดได้นตะฮะโอเคเห็นมาก่าต่อไปก็เห็นผลอะ ผลคือความสงบเป็นขั้นขั้นไปขการสมาธิการปัญญาไปเห็นตามลำดับโอเคนะตือบคุณคุณโอคุณโอภูเกตคุณโอหลับบ้างไหมเสียงไม่ดีเลยเสียงมีสียงดัง มันก็พอได้ยินนะมันมัตื้อๆมันเสียงตื้อๆเข้ามาาลองใหม่ดิหายไปแล้วพูดได้เลยเชิญนสียงไว้เจ้าค่ะได้ยินแล้วเสียงเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตโปรดนี้เสียงไว้เจ้าค่ะเชิญเจนจ้าค่ะอันนี้หนูก็อเมิสตูสชาชั่กอาจารย์แต่รู้สึกว่า พอไปวัดแล้วมันก็มีอะไรค้างๆกลับมาพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเดี๋ยวเนี้ยเจ้าคขาหนูอะเวลาที่เห็นตัวเองทําผิดแล้วมันมีมันเหมือนลูกบอลกระเด้งมาแล้วมันเห็นชัดมากค่ะเจ้าขาพระอาจารย์เห็นทุกที่แบบเกิดจากการที่เราไปทําผิด่ะเจ้าคะ่าคะพระอาจารย์อไปพูดผิดหรือไปทําอะไรผิดมาอย่างนี้เจ้าคะ่ะแล้วมันมันพอมันมีเอฟเฟกต์ ก, กมาแล้วบางทีหนูสติไม่ทันเนี่ยมันจะทําให้ ้องให้เจ้าค่ะอาจารย์หนูควรจะแก้ตรงนี้ยังไงลองใช่เห็นคนนั่ร้องไห้ไปแล้วเกิดมันเกิดประโยชน์อะไรหรือปัญาจากการร้องไห้มันผ่านไ ป, ไปแล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเมื่อเรารู้ว่าทําผิดก็พยายามอย่าไปทําใหม่ค่ะหรือา จ, จะใช้วิธีการลงโทษตัวเราเองมากอ่ะทําเป็นวันนี้เดี๋ยวต้องวอดข้าวเย็นนะเนืออ้ออดนเนื้ออดนเป็นทั้งวันเลยไม่ไม่กินทั้งวันหนึ่งเลย จำเป็น ม, มาต ร, รการลงโทษ ต, ตัวเอ ง, องเ ห, ห<า>น่อยลงโทษกิเลสกิเลสมันจะได้กลัว<า>ถ้าทนถ้ารู้ลแล้วทาเป็นเฉยๆร้องไห้ไปไ ม, มันก็นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาใช<า>่ะเคยเคยมีเจ้าค่ะอาจารย์บอกว่าถห้ร้องไห้นะไม่ให้เข้าสูงนะเลยเจ้าค่ะอาจารย์มันก็ผ่านมาได้เจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องหิวก็ ม, มีลงโทษ ว, ว่าถ้าถ้ากินเนี่ยอไปกินเกินหนึ่งื้อเนี่ย งดไปเลยสองวันอะย่างนี้จ้าค่ะอาจารย์วันนี้ก็หนูก็เหมือนไปวัดก็ผ่านเรื่องขนมไม่ได้เหมือนกันจ้กคะ่ะเพราะว่าช่วง น, นี้ก็พยายามประเดีวันนั้นอ่านในพระอาจารย์เช่นนี้จ้าคะ่ะของหนูจะเข้า Facebook แบบไม่ได้ล็อกอินเข้าไปอ่านอย่างนี้จ้าคะ่ะอาจารย์เพระาะว่าช่วงนี้ Facebook ก็ไม่ได้หนูก็เลยเข้าไปอ่านแบบธรรมดาลแล้วไปเจอว่าเหมือนหนูไปอ่านเจอที่พระอาจารย์สอนว่าให้ให้ใช้วิธีการทานสามวันทานหนึ่งวันงดไปสามวันอย่างนี้ก่อนก็ได้จ้าคะ่ะหนูพยายามจะใช้ตรงนี้อยู่จ้าค่ะ แล้วก็ที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้ให้ทานข้าไม่ให้ทานว่าก็คือลอง20คำอะไรอย่างนี้เจคะพระอาจารย์หนูก็พยายามจะใช้ในวันที่เขาทาแต่ยังยังไม่ได้ผลเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังเกิน20คำอยู่อย่างนี้เค่ะเพราะพอทานมื้อเดียวแล้วมันมันอดไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันกลัวหิวอยู่เจ้าค่ะมันก็เลยเกินคือวันนั้นก็แบกว่าจนยวนไปเกือบจะเป็น30คำอะไรอย่างนี้ค่ะจากพี่พระอาจารย์ของหนูอ่ะ ก็คือจากที่เข้าถ้าแล้วหนูจางงดทานใช่ไหมเจ้าคะช่วงนี้หราเลยเปลี่ยนมาเป็นว่าทานน้อยๆก็พยายามจะให้เหมือนที่พระอาจารย์แนะนํามาไม่ให้เกินไม่ให้เกินนั้นหรือว่ามันก็เกินแต่พยายามจะให้มันมันลดปริมาณลงจ้ะค่ะแต่นี่วันนั้นที่ปฏิบัติเมื่อวันที่แปดที่ผ่านม า, าหนูจางไม่ผิดอาคารปฏิบัติติดกันเสาร์ที่ที่ผ่านมาวันเสาร์เป็นครั้งแรกรู้สึกหนูไม่ว่าเป็นครั้งไม่ใช่รู้สึกก็คือคือเหมือนกับว่า นั่งแล้วมันมันปวดมากแล้วมันผ่านตรงนั้นมาได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้มันติดใจจะลองว่าให้ผ่านรอบสองมันมันไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เลยมันมันด้วยความที่ว่ามันมีงานงานบ้านรออยู่ก็เลยต้องรวนไปก่อนนี้นะคะแต่รอบแรกอ่ะมันมันผ่านไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ผ่านแบบว่าเรายังไม่สึกอ่าวันนี้เราผ่านความเจ็บในการนั่งมาได้เลยเจ้าค่ะแต่พอมาอีกวันหนึงวันอาทิตย์นี้เท่าไหร่ในกก็คือจะ ก็จไม่ไม่ค่อยสบายด้วยจ้ะค่ะเพรายังล้มลูกค้าอีกจะพาอาจารย์มันก็ทำใจอาารย์ด้วยนะบาีอาจารย์มันก็ทําให้ยากบางวันนะอาจารย์มันก็ทําให้ง่ายได้แล้วแต่อาจารย์อยพยายามรักษาการกระทําไปเรื่อยๆยากก็ทําง่ายกระทำนะค่ะมันจะได้ไหมถ้าหยุดนะเวลามันกลับมาเริ่มต้นใหม่มันจะรู้สึกยากกว่าใช่จ้ะค่ะพะอาจารย์มันมันยากมากเลยจ้ะค่ะ ก็หนูจำได้ว่าตอนปีแรกที่หนูเข้าซูมาหนูหนูหนูตั้งใจมากเลยจ้ะค่ะคือคือการปฏิบัติทุกอย่างที่หนูเคยเล่าพระอาจารย์พอมาช่งวงบางๆหนูเลยสึกว่าการปฏิบัติของหนูมันมันลดลงอาจจะขาดความตั้งใจเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ไปก่อนหน้านี้จ้ะค่ะหนูต้องกลับมาเพิ่มความตั้งใจให<ร>ม่เมม จ, จ้าของอาจารย์เพิ่มเราไม่เข้มงวดเราไม่เข้มงวดกับตัวเราปล่อยไปตามอารมณ์จ้ะค่ะ โดนโดนจิตมันดิ่งบ่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเรื่องนี้ค่ะจะร้องไห้บ่อยเจ้าค่ะคือเหมือนว่ า, พ, า, าพอมีอะไรมากระทบแล้วมันมันเดรคไม่ได้มันเหมือนเด็กเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนวันนี้ก็ก็เป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์ยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ที่หนูไปทําผิดมาไปไปไปดุแฟนเขาแล้วหนูรู้สึกผิดมันมันหลายเรื่องด้วยมันเป็นเหมือนลูกบอลที่กระเด้งมันเร็วมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ พอนึกถึงแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วมันไปบวกกับเรื่องเดิมอื่นอีกมันเลยทําให้ให้เบกันร้องไห้ไม่ได้จ้ะค่ะก็เลยร้องไห้ด้วยความเสียใจนะเนยมันมันทั้งเสียใจทั้งรู้สึกผิดมันมันหลายอย่างด้วยจ้ะค่ะพี่จัย์นุกกลับเรียนไม่ถูกจะค่ะแต่รู้สึกว่ามันทุกมันมันเห็นพุกตรงนี้นะจ้ะค่ะแต่มันมันก็คิดว่าอ สุดท้ายก็คือมันว่ามันก็เกิดจากความอยากของเราอะไรแบบนี้จ้าค่ะพอาจารย์อยากจะเพอร์เฟกต์เนี่ยอยากจะไม่ผิดพลาดใช่จ้าค่ะพระอาจารย์เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นธรรมดาก็อยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรช่งแท้แน่นอนปติปัญญาของเรายังไม่อยู่ในระดับที่ที่ยังอยืนที่มีอยู่ตลอดเวลาเวลาบางเวลาใดที่เราพังเผยเวลานั้นเราก็มักเจะไปทําผิดเนี่ย ก็มันเป็นบทเนี่ยสอนใจกันแล้วกันว่าเน่ยความเวลาเราผนัสติมันก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นไปหนูต้องกลับไปแก้ตรงที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการเจริญสติเป็นอันดับแรกเลยคุณจารกัจจานใช่ถ้ามีสติแล้วมันจะคุมการการคิดการอะไรได้คิดทําอะไรไม่ดีก็หยุดมันได้ก่อนที่มันจะปล่อยมันออกมาหนูจะน้อมนําไปปฏิบัติอเพราะว่าคุณ็อยางสูงจ้ะ คุณคุ้ยนักสเสมอตอรนี้แบ่กาเอาเสีชมพูมาอยู่ที่ไหนอยู่วัดอาจารย์ธรรมรเจา้าคระอาจารย์โยมสบายดีท่านอาจารย์สบายดีไหมคะเอาทูนหายไปได้วันวันมาตามอัตภาพโยมไม่มีอะไรหรอกโยมจะเข้ามารายงานผลการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันพุธที่แล้วเป็นต้นมาหลังจากฟังซูมโยมก็เร่งปฏิบัติเ อ, อตอนเย็นโยมก็นั่งสมาธิก่อนนอนโยมก็ฟังพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติสามสามวันโยมไม่ออกไปไหนเลยโยมถือศีลแปดเมื่อวานนี้โยมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็วันเอวันอาทิตย์โยมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยพอยมก็ถือศีลแปดเลยใสย่ใส่สีขาวเลยอะแล้วก็ทานเจด้วยแล้วก็ คือโยมก็เร่งและโยมรู้สึกว่าออจิตมันสงบแต่โยมไม่ได้หวังหรอกว่าจะได้ยานหรือใยชาอะไรคือโยมไม่เข้าใจตรงจุดนั้นโยมรู้แต่ว่าโยมปฏิบัติเพื่อปฏิบัติบูชาเฉยๆค่ะแล้วก็โยมก็ได้ดีใจวันนี้ได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ดีใจมากเลยปุ่บปิติแล้วโยมก็ ไปทำบุญมาหลายวัดค่ะโยมจะมาน้อมนำบุญมาถวายพระอาจารย์ค่ะก็ตั้งจิตอดีแล้วค่ะว่ายัางไงโยมก็ต้องเดินทางธรรมโยมใช้กว่าการวดตัวเองขึ้นมาจากความที่เกียจขับพระอาจารย์เพราะบางวันโยมยอมรับว่านั่งสมาธิเพลินไปแล้วทีนี้เราตื่นตื่นสายแล้วทีนี้เราก็ต้องทบทวนแล้วก็เลยลงโทษเองโดยที่ว่า ในวันนั้นเราจะต้องทำมากกว่าห้าหกชั่วโมงนั่งสมาธิอะค่ะอะฮะเออคือโยมก็ไม่ได้จิตแกว่งแต่ว่าบางครั้งเออโยมก็ต้องระวังคือว่าไม่ให้ใจมันขุ่นนะคะพระอาจารย์แล้วก็โยมจะพิจารณาตลอดทุกคืนว่าโยมทำถูกศีลแปดไหมแต่ว่าโยมถือศีลแปดนะพระอาจารย์อย่าเอาเรื่องเครื่องสำอางนะ โยมสีแปลจริงๆแล้วโยมก็โยมก็บอกว่าคิดว่าโยมเข้าใจนะสิ่งที่พระอาจารย์พูดอ่ะคือโยมเตรียมตัวตจแล้วเพราะว่าโลกนี้มันเหมือนกับทางผ่านเฉยๆโยมก็เลยเร่งปฏิบัติค่ะค่ะพระอาจารย์อดีอันนี้ปฏิบัติทันเคินไหมวันนี้เหรอคะอว่อค่ะแต่าบางทีนะพระอาจารย์ จะต้องยกเว้นโยมนะเพราะบางทีโยมก็ต้องเข้าไปฟังบทสวดมนต์หรือฟังธรรมอะ่ะทางทางยูทูแต่โยมก็ไม่ได้ไปดูอะไรนะโยมก็ฟังแต่ธรรมเฉยๆแต่ว่า ม, ม, มันเหมือนกับมีอะไรอะ่ะเตือนโยมว่าถ้าโยมจะพังทังไปหรือว่าจะทำอะไรที่ไม่ดีมันเหมือนจะมีอะไรมาฉุดโยมขึ้นมาค่ะเหมือนกับว่าจะเตือนว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างนี้ แต่เมื่อวันเสาร์ที่โยมเดินออกไปนอกบ้านคือมันเกิดอะไรอย่างหนึ่งซึ่งว่าโยมไปเจออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นมันเหมือนกระแสะอะไรไม่รู้มันวิ่งมาชนโ ย, ยมและกลับมาบ้านโยมได้ยินเสียงคนเรียกโยมพระอาจารย์เรียกชื่อโยมเรียกชื่อเล่นโยมอ่คุณปุ้ยคุณปุ้ยและทีนี้โยมหานไปโยมก็ไม่เห็นใครโยมเอ๊อะไรวะ ใครว่าเราก็ไม่เห็นมีใครเลยนะมีแต่รถเนี่ยอยู่กลางถนนและยมก็พยายามวงคนในรถว่ายมรู้จักไหมมันก็ไม่รู้มันก็มีเด็กฝลังและยินี้ยมก็เดินข้ามถนนไปเพอยมพอยมเดินกลับบ้านยมรู้สึกปวดหัวยมรู้แล้วว่าโยมโดนกระแสอะไรมาแต่ยมก็ไม่ได้ไม่ได้ท้อไม่ได้ยมแพ้ยมก็เลยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายมก็เลยนั่งสมาธิ แล้วเอยอมรับว่ายอมก็กินยาเพราะว่าเรารู้สึกมันเหมือนกับเออเราก็ติดไวรัสหรืออะไรมาคือคือเราเราคิดทางบวกเราไม่ให้จิตปรุงแต่งนะคะอาจารย์เพราะว่ายอมยอมจะเรื่องผีพียอเพอคนกลัวผียอมก็พยายามจะไม่หลอกตัวเองนะคะผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงจริงอ่ะเรื่องนี้เลยเพราะว่า แต่โยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์อย่างหนึ่งเพราะว่าโยมได้ไปร่วมทําบุญโยมไปซื้อสังกทานไปถวายสังกทานขอโทษคะ่ะไปถวายสังกฐานที่วัดวัดหนึ่งมาโยมซื้อไปสามชุดให้ตัวโยมแล้วก็ให้ลูกแล้วก็อันหนึ่งโยมถวายให้อ่าใส่ชื่ออะใส่ชื่อของน้องดาราที่เขาเสียชีวิตน่ะแล้วโยมอยากจะเรียนถามว่าท่านอาจารย์คะ ถ้าเราทําหนี้เราทําด้วยความตั้งใจเขาจะได้ไหมคะไม่หรือว่าเขารอรับหรือเปล่าด้วยเขาไม่ได้รอรับก็เขาเขาไม่ได้ว่าเรามีหน้าที่ทําว่าทําไปส่งไปส่วถ้าเขามีหน้าที่รับถ้าก็อย่รับเขาก็มารับถ้าก็ไม่มารับแล้วมันก็กลับมาหาเราอยในของเราเหมือนเดิมคือคือสิ่งที่โยมทําเนี่ยเพราะว่าสามปีที่แล้วยมได้ฟันถึง และทีนี้โยมก็รู้สึกสงสารแล้วโยมก็เลยโยมไม่ได้ติดข่าวแบบอย่างนี้ น, นะฮะแต่ว่าเออเรารู้สึกสงสารเราก็เลยอยากจะช่วยเข า, ขาก็เลยอยากจะทําบุญให้เขาก็เลยเออเออเช่าสังฆทานน่ะเออถวายสังฆทานให้เขาก็หวังว่าเขาคงจะได้นะคะพระอาจารย์มันทาไปก็แล้วกันนะเราก็ไม่มียาจะสั่งซ้ำได้อืมอืมโอเคนะ ะท่านอาจารย์ค่ะขอพอหน่อยสิขอให้มีดวงตาเห็นทำเห็นตัวเลขที่ต้องการดีไหมดีอาจารย์ดีไว้ดี่าดีแล้วโอเคจบพระอาจารย์ค่ะขอโยมขอให้พระอาจารย์ธาตุฐันแข็งแรงและ บุญใดที่พระอาจารย์ได้กระทําขอให้โยมมีส่วนร่วมในบุญของพระอาจารย์ขอให้ทุกบุญทุกบารมีที่โยมได้ปฏิบัติอย่างจริงจังขอน้อมถวายแด่พระอาจารย์เจ้าค่ะคุณหมอทั้งสองคนคุณหมอหมอนัฐกับคุณกรรมนรรษการพระอาจารย์ค่ะกรามนรรษการครับพระอาจารย์ครับ มันมาแรยงานการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารยางงาร์รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ยังก็คือตั้งแต่เช้าก็จะแบบเหมือนตื่นขึ้นมาจะทําตามที่พระอาจารย์สอนหาว่าให้พุทโธแล้วก็ให้แบบอยู่กับการจะทําการร่างกายอะค่ะเอ่าไม่ไปคิดอะไรแต่ก็จะมีความคิดเข้ามาเองแต่ก็พยายามจะกลับมาพุทโธแล้วก็อย่าไปตาม ค, ความคิดอย่าไปสนใจ เราห้ามเขาไม่ได้มันยังมีกาลังอยู่เขาก็มาเราก็พูดโธไปดูการกระทําของร่างกายไปค่ะต่อไปสางคิดมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทําตามตารางแบบทําตามตารางเวลาได้ดีขึ้นค่ะก็คือก่อนหน้านี้จะแบบทําได้บ้างแล้วก็บางวันก็ถูกสคิตไปคือหนูจะแบบถ้ามันเข้าลูทีนมันจะค่อนข้างโอเคอ่ะค่ะแต่พอแบบตอนอย่างตอนเช้าหนูจะ เซตไว้ว่าทําสมาธิอย่างน้อยแบบสามสิบนาทีแต่ถ้าไม่ได้ก็จะตั้งใจไว้ว่าจะมาเก็บให้ได้วันหนึ่งสามสิบนาทีแต่ถ้าหลุดตอนเช้าปุ๊บจะจะไม่ค่อยได้ค่ะที่ผ่านมาจะคิดไว้แล้วก็ทําไม่ได้แต่อาทิตย์ที่ผ่านมาคือถ้าตอนเช้าทําไม่ได้ก็จะมาเก็บตอนบ่ายตอนเย็นได้ค่ะคระอาจารย์ก็พูมิใจเด็กน้อยค่ะขอบพระอาจารย์ต้องมีตารางอะไรๆก็ควบคุมครับใจเราได้ไดได ค่ะก็พยายามเ็จตารางค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบรายงานพระอาจารย์ต่อค่ะจะพยายามทําให้ได้สม่ำเสมอก่อนเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก็ก็มีความดีใจว่าว่าทําได้ต่อนเนื่องทุกวันค่ะพระอดีมากพยายามทำไป<อ>คุณหมอตาว่าไงคมอตอ <c oughs> ครับก็ผมผมผมก็ยังทําได้น้อยครับพรอาจารย์แต่ก็พยายามจะ จะมีสติระหว่างวันแนละ้วก็พยายามจะนั่งสมาธิตามตามคุณแมทเขาให้ให้มากขึ้นเขาคงต้องมีตารางเวลาอย่างที่พระอาจารย์แนะแนําครับบางทีพอจะนั่งความคิดมันเข้ามาเยอะมากครับอยากให้พระอาจารย์แนะนําขยายความสักนิดหนึ่งที่ว่าเราจะจัดการยังไงบางทีเข้ามาทีสามสี่เรื่องมันรู้ตัวทีคิดคิดไปสามสี่เรื่องทั้งที่ทเราก็ไ ม, าไม่ได้ตั้งใจเร็ไม่รู้โทรคอยกันไว้ครับก็ต้องคุยโทให้ให้ถี่ขึ้น ใช่ไมหมครับบ่อ ย, นะยบ่อ ย, อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยตอย้องแต่งเลนตาขึ้นมาเลยเลนตาเต่งขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปไปทําหน้าที่ทําความสะ้างหน้าหน้าล้างตาแปรงฟันก็พุทโธไปครับเหมือนมันมีมันมีความแรงเสียดทานนะคะพระอาจารย์แบบในเวลาปฏิบัติจริงๆมันจะแบบพอพุทโธแล้วมันจะเหมือนใจมันเอ้ยมันเหมือนมีอะไรจะต้องคิดแต่ก็ ดังามที่พระอาจารย์บอกก็พยายามพุทโธสู้เพราะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆมันไม่ได้มีอะไรจะคิดแต่ว่ามันมันเหมือนมันมีแรความฝืนอยู่ค่ะคใช่มันมัเคยมันเคยปล่อยให้ใจคิดด้เรื่อยๆมาอยู่มันก็ยังไม่ยอม่นก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็ให้วิญญาณทรางพุทโธขึ้นมาในใจเราให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งความคิต่างๆมันก็จะหมดกําลังไปเอง แต่พอแบบต้องต้องวันนะคะพระอาจารย์คือหนูก็เป็นคนแบบทํางานมันต้องใช้ความคิดอะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็กําลังฝึกอยู่ว่าพยายามคิดเท่าที่จําเป็นที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้ค่ะแต่มันจะชอบเลยเถิดการทางานมันก็ห้ามไม่ได้มันต้องคิดช่วงที่เรายังไม่ไปทํางานนะช่วงนั้นจะจะดีกว่าช่วงตอนที่เราเพิ่งตื่นขึ้นมาใหม่ๆแล้วเตรียมตัวจะไปทํางานพตอนทเราไม่ต้องคิดอะไรพยายามฝึกช่วงนั้นให้ได้ ค่ะก็จะฝึกตอนช่วงก่อนไปทํางานพยายามเดี๋ยวจะพยายามทาให้ได้ค่ะสองชั่วโมงก่อนไปทํางานแล้วก็อตอนกลับมาจากที่ทํางาน อ, าอ่าช่วงที่เราไม่ต้องคิดอะไรมีแต่มาทําหน้าที่ดูแลร่างกายของเรานั่นเองค่ะก็กพุโทโธไปดูแลไปดูดูร่างกายไปทำสองช่วงนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นอ่าไปแล้วา็จะไปทําในที่ทํางานก็ได้ต่อไป ครับอาจารย์ครับอาจารย์จะมารายงานต่อครอบอาจารย์สเตนที่ทําคัญที่สุดในการปฏิบัตินี่ต้องเริ่มต้นที่สติก่อนถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิบัญญาก็ไม่ไม่เป็นผลอก็คือเอาเอาไว้กับร่างกายใช่ไ้ยคะเอาไว้กับร่างกายเลยอว่าอยู่กับพุทโธก็ได้ครับค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็ได้บางทีทั้งพุทโธต้องร่างกายด้วยก็ได้ กำลังแปลงพันก็พุทโธวุทโธไปดูการแปลงพันไปพร้อมกันไม่ใจไปที่อื่นเลยครับครับพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติตามจะมาอนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์สาธุครับคุณวิไลพรเย็นยมหญิงกลับมัสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะ หายไปไหนมาไปปฏิบัติทำมาเลยเอ่อพอดีพอดีโยมทําบ้านใหม่อะค่ะพระอาจารย์ก็<ม>จะวุ่นวาย ก, ก, กับการซื้อของซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ทำทำบุญบ้านเจ้าค่ะ<ม>ทำบุญบ้านไปนเรียบร้อยแล้วเจค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอที่ทททหัวหิงเจ้าค่ะ ค่ะก็กลับมาสู่หมดปกติกลับมาปฏิบัติได้เหมือนเดิมแล้วจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ก็วุ่นหนักเลยคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอวุ่นหนักมันก็เลยทําให้กิเลสนะคะพระอาจารย์เหมือนกับเออกิเลสมันก็แรงคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ยอมแพ้กิเลสอยู่เหมือนกับว่ากิเลสการขี้เกียจการตื่นพระอาจารย์เหมือนกับว่ามันเหนื่อยเจ้าค่ะปกติโยนมาตื่นมาตีสามตีสี่เนี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็จะมาสวดมนต์สมาธิ แต่พอช่วงหลังนี่มันพอจะตื่นมาก็เดี๋ยวก่อนหนะัาพักก่อนหนะ้าเขาพักหน่อยหนาะเลยไงคะ่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้จะกลับมาเป็นปกติแล้วเจา้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนทำบุญบ้านเอครูบาอาจารย์เมตตามามาให้มามาให้ที่ ท, ท, ที่ที่ใหม่นะคะพระอาจารย์มามาทําบุญบ้านให้เจ้าค่ะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. มีตกมีพระอาจารย์จะทำหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เลิม อาจารย์น้อยพระอาจารย์อิ๋วพระอาจารย์สมภพพระอาจารย์ชาวเจ้าค่ะเป็นนิมนต์มาได้ยังไงล่ะก็พอดีคุณเอกจะอคุณเอกแนะนํำให้ค่ะคุณคุณเอกช่วยเป็นทุลาใารเจ้าค่ะค่ะโชคดีมากเลยเจ้าค่ะก็ช่วยเป็นบุญของเจ้าที่เลยค่ะพระที่ใหญ่พระอาจารย์เจ้าที่น่าจะดีใจแล้วก็คนแถวเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็คนแถวนี้ก็เอาของมาทําบุญกันเยอะแยะเลยค่ะพระอาจารย์ โชคดีมากเลยเจ้าค่ะค่ะโชคดีค่ ะ, ะก็จะปฏิบัติต่อเช้าค่ะพระอาจารย์โอเคไม่มีคำถามเลยนะไม่มีค่ะตั้งมั่นอยู่ในสินทานสินภาวนาตามคําสอนของพระอาจารย์ตลอดแล้วก็ระลึกถึงคําสอนพระอาจารย์ตลอดเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คุณแปม ค, คุณแปมมีอะไรไหมคุณแปม วันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้มากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเดี๋าายวเราผ่านไปเลยนะเจ้าค่ะผ่านไปที่กุศลศานาฬที่ว่านมรส ก, การกับพระอาจารย์มรส ก, การาค่ะดุสรัตน ะ, ะไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังผลค่พะพาจาย์ แล้วเป็นไงใจใจเต้นไหมแล้วเฉยๆนนรับได้รับได้ผลยังไงออกมาแล้วรับมันได้ไหมค่ะพระอาจารย์เราตั้งใจไว้แล้วค่ววะว่าเออก็คิดคิดไว้ค่ะ ว, ว, ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นก็พิจารณาไปค่ะว่ายังไงเราก็ต้องดําเนินไปอยู่ดีไม่ไม่ว่าจะเจออะไรมันก็ต้องอ พรุ่งนี้มันก็ต้องเจอค่ะหมือนหมายถึงว่ายังไงมันก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องรับมือไปถ้าเรายังไม่ตายเราก็ต้องอยู่ในอยู่ในอยู่ในเกมเนี้ยกันต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็เลยรักษาใจไว้ด้วยนะอย่าให้ใจไปเต้นเต้นตกใจอุณ จ, จะบอกไปเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้กินดีร่างกายมันเป็นแต่คนรับใช้เรา มันเป็นเจ้านายของร่างกายเดี๋ยวเราก็ต้องเทงร่างกายไปวันใดวันหนึ่งไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นี้ยเนี้ยแลนานะโคตรมันต้อ ง, นอน ต, อ ง, ต, องต้องเจอทั้งวันหนึ่งที่เราจะต้องต้องต้องปล่อยมันไปค่ะอาจารย์พยายามซ่อมใช่แต่แับนี้ซ่อมปล่อยปล่อยวางในการทําใจให้นิ่งให้สงบ ทำสมาธิให้ใจอยู่เฉยๆนั่นกายก็ดูแลมันไปท่าที่เย็นดูแลได้ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ครับสงสารไม่มีอะไรนะอะยมขอเรื่องไงคะอาจารย์ คือตอนที่โยมไปขึ้นเขาชีโอลรอบที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนที่ทุกมันปลดล็อกแล้วว่าค่ะโยมนั่งภาวนาในคือวันที่ยี่สิหกตอนนี้มันปลดล็อกไปแล้วโยมนั่งภาวนาแล้วก็มันมีคําผุดขึ้นมาในใจว่าไม่รู้จักใช้อนัตตาโยมก็ไม่สนใจแต่โยมเพิ่งมาถูกใจ เ, เมื่อวันสองวันนี้ค่ะอนัตตามันคือไม่มีตัวตนแล้วมันมันต้องใช้ยังไงก็ส่วนใหญ่โ ย, ยมจะพิจารณาแค่ อันนี้จังทุกขังแต่นักตาและโยมจะไม่ค่อยจะไปใส่ใจเขาสักเท่าไหร่อะค่ะโยมจะต้องทํำยังไงกับข้อนี้อะค่ะอ่ามันนักตาเขาแปลว่ามันไม่มีตัวตนเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับลมสายลมน้ฝนนี่มันไม่มีตัวตนใช่ไหมมีใครไปบังคับมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้ฝนไม่ตกหรือสั่งให้ฝนตกสั่งให้ลงพัดไหมมันไม่ให้ลงพันดได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมใช่อะ อันนั้นาอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติานั่งการนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใจเรามาครอบครองมันแล้วก็ไปหลงคิดว่าเราสามารถสั่งมันได้ทุกอย่างเราสั่งมันได้เพียงบางอย่างอย่างให้มันขับขึ้นลุกขึ้นเดินยืนนั่งนอนได้แต่วันหนึ่งมันอาจจะเสียขึ้นมาก็ได้มัอนรถยนต์นะอาจจะเป็นนํามาเพิ่มความว่างนี้เราสั่งมันไม่ได้ ต้อพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับไปได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งก็อาจะต้องเจอกับสภาพที่ไม่สามารถสั่งมันได้สาธุ ค, ค่ะปกติถ้ามีปัญหาลมจะแค่ว่าเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่เที่ยงจะคิดแค่นั้นนะคะอาจารย์<ม>แต่ไอคําที่มันผุดขึ้นมาในใจซึ่งจริงๆยมจะไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลีนะคะ แต่มันผูดขึ้นมาไม่รู้จักใช้อนัตตาโยมก็มันคืออะไรแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะค่ะจันเพิ่งมาถูกใจเมื่อวันสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอนัตตาคือเราบางทีก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นนี่มันจะมันจะตายแล้วห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเราต้องพิจารณาสามตัวในทีเดียวกันหรือว่ายังไงอะค่ะจัน ก็ต้องเข้าใจทั้งสามตัวพราะมไปเกี่ยวพันกันถ้าเราเข้าใจนีิจจาว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วอนันตาละห้ามันไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเปลี่ยนแปลงปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์คือตอนนิยมก็จะนิ่งอะค่ะจารย์จะมีอะไรก็คจะนิ่งจะไม่จะไม่ค่อยแสดงความรู้คือมัน จริง ๆ, ๆมันไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีทําให้เรากระเพื่อมอะค่ะมันจะนิดนึงแล้วก็นิ่งแต่บางทีพยายามที่จะไม่ไม่ปรุงจะไม่ปรับอะไรทั้งหมดอะค่ะอาจารย์ได้มันนิ่งเพราะมันไม่มีอะไรมากระทบใจนต่ถ้าการมีอะไรมันกระทบใจนี่เมันจะนิ่งได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามอยู่กับพุทโธค่ะอาจารย์แต่มันก็เผล่นะคะแต่เลอปุ๊บ up เ, เราหาพุทโธหายก็พยายามกลับมาเรื่อยๆค่ะก็พุทโธช่วยทําให้ใจนิ่งแต่ไม่ได้ทําให้ใจฉลาด ใจเ ฉ, ะฉะลาดต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นปอินีจังทุกขงังอนัตตาให้ได้คือตอนนี้เปอย่าพยายามใช้จงเดินจงกรมมากกว่าค่ะจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยนั่งภาวนาค่ะคือจะเดินจงกลมลนั่งสมาธิก็ก็ได้แต่เป็นเรื่องของสมาธิถ้าจะปัญญามันต้องพิจารณาตายรักให้เข้าใจทั้งสามตัวนี้แสดงว่าเราก็ยึดสามตัวนี้ไว้เลยใช่ไหมคะ เม่ได้ยืดให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างมมีสารตัวนี้อยู่ในทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยก็มันก็ไม่ยั้จจังไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันเป็นหน้าตามไม่มีตัวตนแต่เราไปหลงที่ว่ามันเป็นตัวเราของเราั่นเองแ้จริงแล้วมันก็เป็นการทำงานของธาตุสี่ในน้ำลมไฟขอบพระคุณขอบพระอาจารย์สาธุ ค, ค่ะ จะนํามาใช้ค่ะรู้สึกว่ามันทําให้เราเย็นลงค่ะแต่เราก็นิ่งนะคะนิ่งมันจะเป็นอะไรเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันสวยกว่านี้มันก็ไม่สวยกว่านี้ยังไงถ้ามาให้มันแก่ก็ห้ามมันไม่ได้คือหน้าตาเมือนกันเหมือนกันเมือนกับฝนเนี่ยกำลงเนีเราไปห้ามไม่ให้มันพัดได้เปล่าลมมันมันจะพัดขึ้นมาเลย มีคนทักโยมนะคะว่าพี่พี่ไม่ต้องลดน้ําหนักแล้วนะพี่ผอมไปเยอะแล้วนะโยมก็เออไม่ได้ลดน้ําหนักนะค่ะาจาย์แต่ไม่ได้ทุกนะคะจารย์ดูดูกระจกก็ไม่ได้ทุกจะไม่สวยแต่ว่าจะแก่ก็ไม่ได้ทุกค่ะาจาันเราไม่ทุกถ้าทุกก็แสดงว่าเราอยากจะบังคับมันอยากจะควบคุมมันแต่เราสั่งมันไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนเจอแล้วก็เพื่อนโยมยังย้อมผมอยู่แล้วบอกว่าเขาก็มองอีกคนบอกว่า ดูละดูยงแก่กว่าเขาอีกนะเพราไม่เป็นไรค่ะได้อยู่ค่ะอ่ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์จะน้อมนํามาใช้ค่ะพระอา<ะ>จารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะพี่ยศสวัสดีค่ะอะขอแจ้งลาลาเรียน <c oughs> หนึ่งหนึ่งวันค่ะคุณยศไม่เป็นไร <c oughs> หรอกจะตามสบายไม่ต้องแจ้งมาก็ได้ถ้าไม่มาก็รู้ว่าไม่มา่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อขอบพระคุณคุณพรุ่งนี้ยงต้องขับรถเดินทางไกลค่ะไปหัดใหญ่แล้วก็ ไปโกโลกกะลูกก่อนเดี๋ยวโยมขออนุญาตออกไปก่อนนะคะไม่ตายนะสบายบาย<ป>ดีคุณจุ๊บโกเบยังอยู่ที่โกเบอยค่หรล้าวัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังอยู่ที่โกเบเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้อาทิตย์ที่แล้วหนูกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆากนะเจ้าค่ะที่ช่วยดึงสติหนูเจ้าค่ะกระชากสติหนูเลยก็คือ ถ้าจะเป็นอะไรไหมท่านขอหนูกลับขอขอมาพระอาจารย์นะคะที่ที่ท่านหนูจะพูดแบบนี้คืออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะหนูหลังจากออกจากซูมไปอะ่ะจิตหนูเศร้าหมองไปหลายวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะอะไรคะเะคือที่หนูกลับเยี่ยนพระอาจารย์ไปว่าหนูตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วแบบตั้งใจว่ า, าจะปฏิบัติให้เข้าถึงกระแสก่อนที่ ครูบาอาจารย์จะรากทขันนะเจ้าค่ะและอาจารย์ก็เตือนสติมองาว่าพระอาจารย์เอเหล่านั้นท่านท่านไม่ท่านไม่มาดีใจเสียใจกับกับเรากับเราที่ว่าเราอยากจะทําให้ท่านดีใจอะไรอย่างนี้นเจ้าค่ะก็มันก็ทําให้หนูรู้สึกแบบเศร้าหมองไปแต่แต่มันก็พยายามมองตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วเอดวงจิตวิญญาณของพระอาจารย์ที่เป็นอริยสมเหล่านั้นถ้าสมมติท่านไปแล้วจริงๆท่านก็ไม่หวงอะไรในโลกเราอยู่แล้วจริงๆหนูก็มาเห็นตัวเองเศร้ามองก็พยายามหาเหตุให้เจอก็ก็เห็นว่าเออที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเรายังยึดติดในโลกทำแตกอยู่ก็คือยังอยากให้ให้ให้ครูบาอาจารย์ดีใจกับเรายังมีมาหน้าตัวตนอยู่ก็แก็ ก็ขอบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ที่ดึงสตินีนขซึ่งกว่าที่จะจะแบบจะเป็นได้ในวันจันทร์นะคะถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะถึงถึงแบบเอาลงเกืออาทิตย์หนึ่งเกือบอาทิตย์หนึ่งห้าวันคะปักห้าวันลงเกือบจะลง<ม>แล้วเพราะว่ามันมัน เราเราตั้งใจมากเกินอาจจะเป็นว่าเราตั้งใจมากเกินไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูตั้งใจจริงๆนะเจ้าค่ะหนึ่งอืมเราอาจจะเป็นเพราะเรายึดติดกับครูบาอาจารย์มากเกินไปด้วยเจ้าค่ะยึดติดว่าเออเราเราจะตามท่านไปยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมจะตามจะเอาเป็นตัวอย่างยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้หนูก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะเหมือนแบบพระอาจารย์ช่วยเตือนสติห น, โ น, โ น, โนูเหมือนทุกครั้งที่ห น, นูมีฉันมี ชันท้าในการปฏิบัตินี้คือหนูชันท้าที่เจอไปด้วยตันหาตันหาที่ใหญ่เป็นแบบกองเพลิงใหญ่ๆอะไรเจ้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ชันท้าของหนูก็เหมือนกับเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งนิ่งๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบอุ้ยฉันจะต้องทำใหุ้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้าทำได้ก็ดีถ้ามีการ ม, มุมานะแล้วทาให้เกิดผลได้ก็ได้ การมู่มานั้นก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามั่มานแล้วทำไม่ได้แล้วทำให้เราทุกข์นี่มันก็เหมันก็มือนโทษได้เจ้าค่ะอาจารย์หนูหนูเข้าใจคือคําของพระอาจารย์ที่ตอนนั้นสอนหนูว่าเราทําเนี่ยเราทําเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทําเพื่อพระอาจารย์เพื่อเพื่อครูบาอาจารย์ซึ่งตอนนั้นหนูหนูเข้าใจหนูเข้าหนูเอามาหน่าพิจารณานะคะหนูเข้าใจเฮถ้าทําเพื่อเพื่อเพื่อครูบาอาจารย์เนี่ย ไฟแห่งความอยากที่จะปฏิบัติน่ะมันเป็นกองเพลิงเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าทำเพื่อตัวเองเนี่ยหนูหดหูมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูแบบอทำเพื่อตัวเราเหร อ, อหดหูอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพลังศรัทธามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ ม, มั น, ม, นมันยิ่งใช้ปัญญาใช้ปัญญาอ น, นอที่จริงเราทำเพื่อใครทำท่านเพื่อท่านแล้วทำเพื่อเราหนูอยากตามท่านไปเจ้าค่ะ จะตามยังไงหนูอยากอยากจะมาดูทำให้ไดตามท่านไปนะ I will follow you อยงนีนะ <c oughs> เห อ, อ่อหนูอยาจตามท่านทำไมล่ะท่านไม่ท่านไม่ได้มีอะไรกับใครแล้วอือเจ้าค่ะอืออาจจะเป็นเพราะหนูยึดติดเกินไป <c oughs> ยึดติดคือถ้าเราอยากจะตามแนวทางของท่า น, นถูกแต่อย่าไปตามตัวท่าน่นผิดไมาใช่ไหมนะอืม เดินตามแนวทางของท่านท่านปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ปฏิบัติปฏิิบัตเพื่อจะได้อยู่ใกล้ท่านนี้มันไม่ใช่แล้กเป็นกิเลยแล้วไม่ค่ะก็เห็นท่านเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากจะตามท่านไปแบบนั้นตามไม่ได้เลยอยากไป อยากจะเป็นหนวดอย่างนั้นนะคะอ๋ออย่าใช้แต่ยังเป็นอย่างนั้นก็ใช้ได้แลคะก็ไม่เสียหายตรงไหนเนี่ยปฏิบัติเพิ่มปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นอยากปุญดุชนให้เป็นพระอริยะบุคคลอันนี้ก็ถูกต้องเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเราจะไปเสียใจทำไมมันอาจไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูหนูเศร้าหมองไปจนถึงวันจันทร์นู้นเลยอะค่ะพระอาจารย์ แต่มองมองรูปมอง ร, ราบอกว่าเลาบอกพาว่าอาจารย์ไม่ได้อนุโมทนากับความตั้งใจของเราเลยอืมค่ะแต่มือนท่านไม่อนุโมทนาเรามีการพัฒนาดีใช่ค่ะก็คือก็มานั่งพิจารณาอ๋อโลกธรรมแดเราอยากงอยากได้โลกธรรมแปดอยู่อยากได้คําเสงบอยากได้กยังดีค่ะอะไรอย่างนี้ซึ่ง อพอโดนโดนอีอกอกทางนึงก็เลยเศร้าเลยพอ <c oughs> โดนตำแหน่งเข้ากับเลยเศร้าเลยแล้ว <c oughs> เมี <c oughs> สันมาเสิร์ฟกับมาตำแหน่ง <c oughs> ก็ให้มันให้สติไงให้สติ <c oughs> ว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวเราเองเห <c oughs> มือนเหมือนแบบอืเข้าใจเข้าใจใน ค, ความเนจริงว่าอ๋อจริงๆแล้วท่านท่านก็ไม่มีรักช้ำกลัวหลงไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีเสียใจไม่มีเสียใจแล้วก็ไม่มีดีใจ ก็เลยเออมันก็รู้สึกแบบเออเนาะมันเป็นแบบเนี้ยอาจก็นั่นและค่ะก็พูดไม่ถูกแล้วค่ะพระอาจารย์จะไปอะไรกัท่านพูดเพื่อให้ท่านพูดเพื่ให้ท่านดีใจแล้วจะท่านจะได้อานุโมทนารเราใช่ไหมอืมค่ะเพราะท่านพา่าไม่แยแสก็เลยเสียใจใช่แ้ค่ะพระอาจารย์ หนูต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากมากนะเจ้าคะ่ะหนูทุกครั้งที่หนูได้คุยได้สนทนากับพระอาจารย์หนูได้อะไรดีๆจากพระอาจารย์เอยอะเลยเจ้าคะ่ะอย่าไปหวังเลยจากใครเราจะไม่เสียใจถ้าไปหวังมันจะผิดหวังมันจะเสียใจเจ้าคะ่ะตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะก็ไม่ได้แบบไปแบบเหมือนมีไฟกระพึกกระพือขนาดนั้นว่าฉันจะต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมัน มันก็ดีนะเจ้าคะ่ะมันเหมือนจิตมันนิ่งกว่าเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์อืม <c oughs> ขอให้มันได้ผลก็แล้วกัน <c oughs> สำคัญที่ผล <c oughs> ถ้าไม่ได้ผลมันก็ยังจะทอได้หนูหนูก็เพิ่งมาเข้าใจตรงนี้เองว่าเออนี่น่าละอินทรีย์ห้าเขาถึงเอาคำว่าศรัทธาขึ้นมาก่อนศรัทธาวิทยาสติสมาธิตัญญาใช่ไหมเจ้าคะ่ะอืม ก็มีสตาง์าในการจะทำตามธรรมสอนของพระพุทธเจ้านั่นค่ะพระหนูเห็นเห็นเห็นกับตัวหนูเองที่พอาจารย์บอกว่าทำเพื่อทำทำเพื่อตัวเราสิํามานองทำเพื่อตัวเราสิมันหัวมันหดหัวยิ่งเกิดเดิมยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเดถ้าทําเพื่อครูบาอาจารย์นี่ยโอ้ยมันแบบเฮ้ยเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยจะค่ะภาษาไม่รู้ค <laughs> ิดยังไงไมรู้ <laughs> คิดแปลกๆใช่ไหมเจ้าคะหนูหนูแปลกๆอย่างนี้แล้วเจ้าคะพระอาจารย์คิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าจะเป็นมาริการายยังไงเป็นมาริกาทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเราแล้วทำเพื่อครูอาจารย์ ทำเมื่อตัวเองค่ะระอจา <c oughs> อจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะปลดลอ็อกตัวเองค่ะพระอาจารย์เพื่อที่จะให้พ้นในวงวนคือความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาก็จะให้มีปัญญาตลอดเวลานะคะว่าอาจารย์เจอพระอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ลุกหวังมากที่สุดก็คือการมีปัญญาที่ทจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกในทุก าทีุกเกิดจากความอยากของเราใช่ค่ะทุกถามวเราความอยากอะไรใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าในมันมีช่วงหนึ่งแบบในในชีวิตพอพูด pues ถึงในชีวิตก็ผ่านความลําบากกว่าจะได้เรียนจบกว่าจะได้ทํางานพอได้ทํางานเสร็จแล้วพอแบบมีแบบว่ามีราบเสริมราบมียุดเสมยุดนะพอเกษียณเสร็จแล้ว เรากลับมาอยู่ในวังวนเดิมทั้งๆ ท, งที่ท่านพระอาจารย์ก็สอนสอนสอนว่าอยากนะอยากนะเพราะตัวเองเหนื่อยตัวเองเหนื่อยแล้วตัวเองก็ทุกข์เองค่ะพอาจารย์นี่แหละค่ะพระอาจารย์สิ่งที่ได้อย่ากให้ลูกเฉยๆนี่ก่อนค่ะพระอาจารย์คือถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจได้อยู่อยากให้ยศให้มีสติ ป, ปัญญามากขึ้นนี่เป็นความอยากที่ดี แต่ความอยากให้ได้ราบยุทสารเสริญสูงนี่เป็นความอยากที่ไม่ดีเป็นทุกข์ได้ดโอเคนะจ้ะหนูไม่มีคําถามนะคะจ้ะอาจาาธิตุณาภกรกุณาภากรเข้ามาครั้งแรกเลยจำหน้านไม่ได้ค่ะหนูเข้ามาได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้เอ่อหนูเข้ามาครั้งที่สองค่ะ Uh huh. ครั้งครั้งแรกน่าจะประมาณสี่เดือนที่แล้วเผื่อวั น, นวันนี้มาคาราบูชาหนูก็เลยมากรพะอาจารย์แล้วก็แล้วก็มาส่งการบ้านด้วยค่ะหนูก็ถ้าจากที่เดิมครั้งแรกหนูก็นั่งสมาธิแล้วก็หลับแล้วก็หนูก็เปลี่ยนมาเป็นเดินจงกรมวันละสามสิบ นาทีก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันก็ทําพุโทโธแล้วก็เห็นกายขยับแต่ทาไม่ค่อยได้เยอะนะคะแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟังจากที่อาจารย์สอนพี่ท่านเมื่อกี้ก็คือหนูคงต้องพิจารณาอเนจังทุกขังอนัตตามากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนไอ้ความอยากในลาบยศสันสนสุกก็คือยังยังมีอยู่เป็นระยะระยามก็ยัง ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเออมันบังคับไม่ได้แล้วมันก็เกิดทูกชาใช่ค่ะสุดท้ายมันก็พอไม่ได้อย่างที่หวังหรือว่าได้ที่ไม่อยากได้มันก็ทุกข์อะไรเงี้ยค่ะแต่วัายังทำไม่ได้ตายไปก็ไปไม่ได้ตายไปก็ออกไปไม่ได้ใช่ตายไปก็ไปไม่ได้ค่ก็เห็นค่ะก็เห็นถ้า ถามว่าตอนนี้เป็นไงก็คื อ, อสติมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ไวพอที่จะตัดเวลามันโมโหมันก็จะพูดไม่ดีหรือว่าพูดคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดไม่สุภาพหรอกแต่ว่าน้ำเสียงหรืออะไรมันมันไปหมดแล้วอย่างนี้ค่ะก็คือต้องฝึกให้มันเร็วขึ้นคิดว่าแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้มาคะก็เมื่อกี้หนูก็ไปเวียนเทียนทีนทวัด อ่าส่วนสันติธรรมก็ขึ้นกลับมาก็เดี๋ยวฟังพ่อเสร็จก็จะค่ะไปเดินจงคนก็คนก็เยอะคนก็เยอะเยอะอยู่ค่ะก็ก็มีก็ก็ทอปกติไม่ค่อยได้ไปางเนี้ก็ทำเพินพี่สาวชวนทำแล้วก็มีความสุขดีก็ก็นมนัา คุณถวายบูญกับหลงพ่อโดยขอบคุณที่สอนและก็ขอบคุณแอดมินที่ให้เข้ามาแล้วก็น้อมทนากับเพื่อนเพื่อนในห้องด้วยไม่มีไม่มีคำทักยินไปที่คุณเทน่านตาเชิญคับสมรสักการเจ้าค่าพาจา์วันนี้อยู่ศรีราชาเจ้าค่าพาจา์เมื่อเช้าไปกิ่ระยองมาค่ะแล้วก็ วันนี้สิบแปดค่ะอาจารย์พยายามสิบแปดแต่ก็ฝ่ากอาหารมาได้ค่ะอาจารย์บอกตอนเย็นไปเดินห้างมาไปฝ่าอาหารที่น่ากินมากหลาก ห, ห, หลายแต่ว่าใจแข็งค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บอะไรที่เราเคยลั่นมาจาว่าจะทำอะไรเงี้ยคะ่ะตั้งใจว่าจะเก็บเก็บเก็บเก็บแล้วค่ะอาจารย์เก็บไได้อะไรเงี้ยคะ่ะ ก็อย <G ll anc rer> like like ่าไปตายใจมันแค่ครั้งเดียวมันต้องมันพิสูจน์มันนองพิสูจน์ไปเรื่อยๆพาพาจา์ค่ะเนี่ยแหะค่ะพอาจา์เดี๋ยวข้าวต่อไปบอกมาให้แล้วนะเอาต่อไปไว้เจอมันอีกที่อยากจะสู้มันไม่ไหวก็ได้ค่ะเดี๋ยวไห่มาเยอะแล้วค่ะพอาจารย์เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อยู่งั้นนะคะอืมค่ะก็ก็เตรียมทํากับข้าวค่ะพรุ่งนี้เช้าจะไปใส่บาตค่ะพอาจาย์อืมค่ะไม่สั่งเขาทำให้ทําเองไง วันนี้ทําเองค่ะพรอาจารย์เตรียมวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะพรอาจารย์อแต่ทําเองพระอาจารย์บอกว่าถ้าทําเองแล้วได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทําเองค่ะพรอาจารย์ในความเพียรในความเพียรค่ะก็ตื่นตื่นเช้าหน่อยแต่ก็อยากทําด้วยราคาพระอาจารย์เพราะว่าเราก็ตั้งใจทําให้มันหนึ่งให้มันดีเท่าที่เราอยากจะทําให้มันได้ทําได้อะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ค่ะประมาณนั้นนะ โอเคไม่มีอะไรนะ <S <S <S เอ้ก็ยังไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์โอเคงั้พวกนี้สายบาทนะค่ะกลับค่ะพระอาจารย์ถ้าเจอค่าใครต่อเดี๋ยวเขาดูคิวหน่อยอ่าคุณอภิชัยอภิช่น้อมกราบในมัธยการพระอาจารย์ครับอ่มีอะไรไหม ไม่มีครับผ ม, ผมทำมาได้ประโยชน์ไหมที่พูดพูดกันมานี่ <c oughs> <c oughs> โอเคเสียงของคนหายไปแล้วเหมือนเหมือนเน็ตไม่ค่อยดีครับเพราะได้ประโยชน์อยู่ครับเข้ามาฟังทำก็ได้ประโยชน์ดีครับผมอโอเคเนีย่ยตอนนี้กันนะ โอเคไปที่คุณหมอสุทัศนีอฐุมธานีนมัสการต้นพอาจารย์เจ้าค่ะรูปปั้ถามเจ้าค่ะโอเคยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะเมื่อเช้าก็ไปเซบาเซบาเสร็จก็นั่งสมาธิต่อเจ้าค่ะอ่าเด็กครับทั้งทำบูชาทั้งปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะครับ คุณสเลนทอน อ, อยู่ที่อเมริกาอันนี้ฉลองไม่ยังมาคราบูชาค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อ๋อจริงๆแล้วออมีสองวัดนะคะวัดหนึ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อีกวัดหนึ่งอันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องเลยจัดวันอาทิตย์นะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าค่ะส่วนมากเนี้ย อ, อทางวัดจะเชิญ อ, อสถานทูตมาด้วยอ่ะค่ะอแล้วก็ให้ให้ทําเป็นเป็ น, เ, ปน เ, ออเหมือนเป็นพิธีออย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. แล้วผู้คนก็เข้ามาทำบุญใส่บาท mm hmm. แล้วก็อาจจะมีโรงทานบ้างนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็วันนี้หนูก็ไม่มีคำถามแต่ว่าเมาื่อวานนี้หิมะตกมากมากๆเลยอะคะ่ะอันนี้นก็เดินไปไหนไม่สะดวกใชะไม่ไม่สะดวกอะคะ่ะแล้วก็หนูก็ไปทำความสะอาดรถอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ทำไปทำมาถุงมือมันหายไปข้าง <laughs> นึงพระอาจารย <laughs> ์ก็ไม่รู้ ไม่มีสติอะค่ะหนูทําไม่รู้ทํำยังไงทํายังได้ยังไงก็รู้เดินเข้ามาบ้านเหลือถุงมือข้างเดียวค่ะพระอหนูก็เลยหนูก็เลยเลิกทําก็ทําไปครึ่งค่งกลางๆเอ๊ะทําไมมันหนาวมันไม่มีถุงมือก็กลับมาเจอถุงมืออีกข้างหนึ่งในบ้านนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปทําความสะอาดต่อค่ะพรอาจารย์วันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะค่ะถามค่ะปฏิบัติต่อไปค่ะพรอาจารย์ก็คือก็ไม่ได้เข้ามาอันเมื่อกี้ เหรอค่ะหนูเมือนหนูเห็นนะคะไม่ไม่มีเหรอคะเห็นจู่เอามาแล้วพระอาจารย์ค่ะยังไงก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะกลับสารเจ้าคเณยานิดหน่อยยังไงกล่าวประมัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ทํากิจกรรมมาค้าบูชาหรือเปล่าอไม่ได้ทําเจ้าค่ะแต่ว่าก็พยายาม รักษาศินยังไม่ได้ก็ต้องศีลห้าสีลหกเจ้าค่ะอืแล้วก็อืมเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะมาเหมือนมาเน้นย้ําว่าตัวเองยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะแล้วก็ขอมาเน้นย้ําว่าขอให้ตัวเองไม่ลืมสิ่งที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะอ่านอะไรบ้างอ สมร t h สันโดษเจ้าค่ะบางน้อยสันโดษไม่สมร t สันโดษเจ้าค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะก็คือว่าไม่ให้หลงละเลงกับสิ่งที่ตัวเองได้มาอย่าใช้ของผู้เฟยเจ้าค่ะอย่าใช่ของรเนมอืไม่ใช้เจ้าค่ะไม่จริงๆไม่ไม่ใช้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ให้ปล่อยวางร่างกายเจ้าค่ะตามที่อาจารย์บอก ไม่เฉื่อยวยทำงานไม่ไปทําสัญญกรรมนะอืมก็มีบ้างค่ะไปคิดมีบ้างนะไปคิดไปชิน่นนู่นชิ่นนี่เหรอเจ้าค่ะก็แสดงว่าไม่ได้ปล่อยวางร่างกายเลยอืมคือไปซื้อคอร์ดไว้แล้วเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยมันต้องขายให้หมดเจ้าค่ะคือเหมือนเหมือนแบบว่าเขาขายเก่งมากแล้วเจ้าค่ะแล้วแล้วแบบ เป็นคนที่สงสารเขาบอกว่าหนูยังไม่ได้ยอดเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ได้ก็เลยช่วยซื้อจ้าค่ะซื้อแต่ไม่ใช้ก็ได้เนี่ยซื้อเพื่อทาบุญก็ได้ก็ใช่จ้าค่ะเขาเขาก็บอกนะคะว่าให้คนอื่นมาทำแทนก็ได้แต่ว่าก็ก็เม่ได้คือไม่รู้จะบอกใครดีอะจ้าค่ะเพราะว่ามันต้องต้องไม่ทำให้ใครก็ได้ มันกวไม่ต้องให้ใครก็ได้เพียงแต่เราก็ไม่ต้องไปทําอย่างนี้ใช่ไหมเจ้ค่ะที่ว่าทำบุญไปแล้วน้องเขาก็โชว์ตามเก่งมากเลยนะเจ้าค่ะก็บอกพี่นอยพี่น่อยนะเขามาหน่อยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาใจเรายังอ่อนอยู่ใจเรายังอ่อนไหวง่ายอจริงๆใช่เจ้าค่ะเหมือนถ้าเหมือนที่หน่อยเคยบอกพระอาจารย์ว่าหลายเรื่องที่แบบอย่างเลี้ยงแมว แมวจร อ, อะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเข้ามาแล้วอ่ะค่ะก็เลยแบบ mm hmm. วันหนึ่งเขาหลุดออกจากบ้านนะเจ้าค่ะตกใจมากเจ้าค่ะพระอาจารย์กลัวแบบเขาหายไปอ่ะแล้วทีเนี้ยคือถ้าแบบว่าเขาเป็นอะไรแบบเขาป่วยตายคามือ่อยอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาตายใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเขาหายไปอย่างเงี้ยหน่อยก็หน่อยก็พูดกับเขานะคะตอนที่เขา เขาก็ไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเจ้าค่ะเขาแบบแค่อบแอ บ, แ, อบแค่ซ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกมาเวลาไหนเรียกไหนก็พูดกับเขานะเจ้าค่ะว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ยังยังมีความแบบใจอ่อนเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นบ่อยขึ้นนะพอมีสติ อย่างที่หน่อยบอกพ่าจยานเจ้าค่ะว่าจะนึกถึงความตายตลอดความตายก็จะขึ้นมาว่าตลอดว่าร่างกายเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตายไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารยใช่แล้วจะไปจะไปกังวลกับเรื่องอะไรนะอืมจริงๆเน่ยไม่ได้กังวลเรื่องความตายแต่ว่าหนไม่อยากให้เขาหายไปหน่ยไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรมั่งเจ้าค่ะอืมวันนี้เออแต่เราห้ามเขาได้ป่าถ้าเขาจะไป อห้ามไม่ได้เจ้าค่ะอืมก็ต้องปล่อยวางนะคะต้องยอมยอมหยุนเย็นเจ้าค่ะต้องยอพ ย, งยายามดึงสติเจ้าค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุจ้าขอบคุณบู้แปเชิยน พระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะอ่าชัดเจนเจ้าค่ะของหนูก็ลุยเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ไปพบแพทย์อเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวที่จะผ่ากระโหลกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดูผลจากค่าเอ็มอร์ไอะค่ะแต่ว่าก่อนหนูจะไปพบแพทย์หนูร้องเออร้องกินแต่นมกับน้ำอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โดยไม่ทานข้าวไปสองวัน ก็ยังสามารถอยู่ได้นะคะพระอาจารย์ไม่เหนื่อยด้วยอะคะ mm ่ะ hmm. ทีนี้หนูก็เลยดูว่าถ้าอย่างนั้นเอจะดูผลเอ็มไอว่าเนื้องอกจะโตไหนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยในระหว่างนี้หนูก็จะลองเอวิธีการเอที่หนูลองทําแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะพระอาจารย์ก็คือลองกินนมกับน้ำสองวันอีกวันก็กินทําที่เคยกินแล้วก็อีกสองวันก็อย่างเงี้ยค่ะหนูจะดูว่า ตัวเนื้องอกหนูเนี่ยจะโตขึ้นหรือเปล่าคะพระอาจารย์เพราะว่าช่วงที่หนูผ่าสมองมาสี่รอบอ่ะค่ะหนูในระหว่างผ่าหนูเห็นอะไรก็อยากกินนะคะพระอาจารย์กลายเป็นว่าเนื้องอกโตไวแต่แต่ละครั้งที่ผ่าค่ะพระอาจารย์รอบนี้รู้สึกว่ารอบที่จะอ่ดูผลเอมาไออีกรอบว่าจะเปิดกะโหลกรอบที่ห้าหรือเปล่าเนี่ยหนูจะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าการกินน้อย ถึงกินแม้จะทานน้อยดื่มแค่น้ำกับนมไม่รู้สึกเหนื่อยกายอะค่ะพระอาจารย์มันมีแรงมีพลังงานนะคะพระอาจารย์ก็เลยยังไหวอะคะ่ะก็อยากอยากรู้ตัวเนื้องอกนี่นะคะ่ะว่าเกิดจากการที่เราชอบกินของเข้าไปแบบอะไรอร่อยอร่อยก็กินเข้าไปอย่างนี้นะค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าจะทดสอบตัวเองด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเห็นว่าเราไม่ค่อยอยากแล้วก็อยู่ได้กับ ของแม้แต่ไม่ไม่เยอะก็อยู่ได้แล้วแถมไม่ค่อยเหนื่อยอะค่ะพระอาจารย์ลุยงานได้ด้วยอะค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่หนูจะพักพักใจเวลานั่งรถมีนี่ยหละค่ะพระอาจารย์มันก็เลย ส, ส, ส, สัมันก็เลยแบบลุยเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อยากทดสอบตัวเองด้วยค่ะแล้วอยากรู้ว่าผลเนืองอกจะโตวไวไหมจากการที่เราอยากกินเนี่ยหละค่ะพระอาจารย์เ mm hmm. นี่ยค่ะโ <Okay. S 2> อเคเริ่มวิจัยไปนะไปะได้มี อะ ไ, ไค้นพบสาเหตุจะได้มาช่วยคนอื่นได้เจ้าข่าหนูก็เลยบอกว่าโอ้้าหนูจากการที่เราอยากกินแล้วเราเอาไปทำให้เนื้องอกโตนี่หนูก็ว่าแล้วถ้าไปดูผลแล้วมันไม่โตนี่หนูก็ผมมีความสุขเลยค่ะอาจารย์ว่าเป็นเหมือนลุยทดสอบตัวเองไปด้วยเจ้าข่าพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุเจ้าข่าสาธุค่ะคุณจอยเชิญ จ, จอย เอจะไปไหนนะก็เอามามาสุ่ันค่ะกาลังเก่าเหรออ๋อกลังดินทางก่าแล้วไงอ๋อกาลังเก่บพัดยาวค่ะอ่ายืดถึงว่าชาวว่าชาคนเยอะไหมคะะอาจารย์พันสองร้อยห้าสิบคนนะพันสองร้อยเหรอคะสอง้อยห้าสิบพันสองร้าสิบมาด้วยกันนี่เขาก็มายอ่ะเกับพอาจารย์มาดีขับรถอยู่เลยอ่ากำลังขับรถอยู่ เข้าอากาศว่ะอาจารย์เร <Okay. S 2> ีนทำในปลอดภัยนะคตู่ไม่มีอะไรค่ะเ ด, เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูนก็ไปใส่บาทพรุ่งนี้วันว <Okay, S 2> ันขายว <ภา S 2> ันเกิด<ะ>ค่อะอจิตตาจิตไม่เวรานนามสการคะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะ yeah, พระอาจารย์ก็เหนื่อยเลยญาติโยมเยอะมาก ก็นิยัไม่มีอะไรค่ะพอดีวันนี้วันพระมาคะแล้วพีน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่เมกาค่ะที่นหนูรักเขาเหมือนเหมือนน้องสาวอะค่ะเขากลับไปเมืองไทยแล้วเขาไปผ่าตัดตอนนี้กําลังอยู่ในห้องผ่าตัดสมองเขาปวดแบบปวดโดยหาสาเหตุไม่ได้มาห้าปีแล้วค่ะยุ้งก็เลยจะตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ให้ดีถวายเป็นพระอาจารย์แล้วก็ให้เขาด้วยอะค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรค่ะก็มาเห็นญาติธามแล้วก็เลยรู้สึกว่าพยายามมองให้เป็นตายรัค่ะวันนี้ก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอพระอาจารย์ทาดกัรแข่งแรงนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะคุณเจ้าคนสุนทัยเจ้า แกมนมัมสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็ไม่มีคําถามเหมือนกันค่ะคําว่าแค่คำประกาศป๋อาจารย์เหกันค่ะชวงนี้จะมีปฏิบัติบูชาไหมช่วงนี้หนูนั่งสมาธิเดือนนี้ทุกวันนั่งทุกวันเลยค่ะ ต, ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ให้พลาดแต่ว่ามันเป็นนั่งทุกวันเหมือนลักษณะแบบเก็บแต้มมากกว่าลักษณะที่ได้ประโยชน์อะค่ะคืออย่างแบบวันก่อนนั่งได้แค่แบบสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มันก็รู้สึกว่ามันก็แอบขี้โกงอะนะคะแต่ว่า หนก็รู้สึกว่าเอ้าทุกอะไรอย่างน้อยให้มันได้ทุกวันทั้งเดือนซึ่งไม่เคยทําได้มาก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็นให้มันแบบเหมือนอย่างน้องสมาตชัตเตียค่ะที่แบบสามสิบนาทีไม่เคยพลาดเลยอย่างเงี้ยหนู ห, หนูจะหนูจะตั้งเป้าให้เท่าน้องตอนนี้ขอขอแค่ทุกวันก่อนค่ะ อ, อเคนะความพยายมที่ไหนความสําเร็จอย่ที่นั่นนะ แ่รขอบระคุณค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามค่ะอเคไปที่คุณล้าต่อคุณล้ามีคำถามหล่ากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าคะ่ะกราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ะดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะว่ากิเลสมีส่วนหยาบและส่วนละเอียดกิเลสส่วนหยาบจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบส่วนกิเลสที่ละเอียด ถึงแม้ไม่มีอะไรภายนอกมากระทบมันก็มีอยู่ในใจจะผุดขึ้นมาเองในใจของเราเมื่อเราทำวิปัสสนาดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะกราบขอบพระคุณคะ่ะเออไม่จาเป็นต้องไปรูหรอกมันอยากหรือมันละเอียดขอให้รู้ตัวมันก็แล้วกันเวลาตัวไหนผมขึ้นมาก็ขอให้รู้ว่านี่คือกิเลสแล้วพยายามกำจัดมันให้ได้คำถานต่อไป กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการพิจารณากายผมได้ฝึกซ้อมพิจารณาอาการสามสิบสองอสุภะและธาตุสี่เรียงหรือสลับกันไปแต่เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วชัดเจนผมควรจะเลือกพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่และควรเลือกตัวไหนครับมันต้องพิจารณาทั้งหมดแต่เราอาจจะเลือกเอาททละตัวก็ได้ เดิอีกตัวหนึ่งก็คืออ น, นิจจังร่างกายไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาสอนใจให้ยอมรับความจริงของร่างกายให้ได้เพื่อใจจะได้ปล่อยวางและจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายคำถามต่อไปผมได้ยินว่าคนที่มีนิสัยชอบทําบุญเวลาไปเกิดใหม่ก็จะติดนิสัยชอบทําบุญและจะร่ํารวย แต่คนที่ผมรู้จักเขาไม่ชอบทําบุญแต่เขาร่ํารวยครับทําไมเป็นเช่นนั้นครับเพราะการร่ํารวยมันมีหลายวิธีไงไม่ใช่จะเกิดแต่จากการทําบุญอย่างเดียวคนขยันทํามากินเก็บเงินเก็บทองก็รวยขึ้นมาได้คนขี้โกก็รวยได้เังนันการจะรวยนี่มันมีหลายวิธีด้วยกันไม่ได้ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้างทำบุญเพียงอย่างเดียวการทําบุญก็จะทําให้เรารวยได้เหมือนกันนะ มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันหมดแล้วเหรอค่ะำถามสุดท้ายจากคุณอ้อเจ้าค่ะลูกสอบถามค่ะพระอาจารย์ต้องมีความเบื่อทั้งโลกประมาณไหนเจา้าค่ะถึงจะออกบวทแล้วไม่กลับทางโลกอีกค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไปฟังธรรมพระอาจารย์มาเจา้าค่ะอ๋อก็ต้องมีความยินดีในธรรมนะถ้าเรายินดีในธรรมผูกใจเรามุ่งหาแต่ธรรมอย่างเดียวมัน มันก็จะไม่กลับมาอีกถ้าเรายังไม่มีความยินดีในธรรมเดียวมันก็มันก็อาจจะเบื่อเบื่ออย่างได้วันนั้นเบื่อก็ก็จะรู้สึกไม่อยากจะกลับไปแต่บางวันก็อาจจะกลับเกิดความอลากขึ้นมาก็ได้ราแต่ความอยากก็อาจอยากจะกลับไปแต่ถ้ า, ามีความยินดีในธรรมมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมมันก็จะยากต่อการที่เราจะกลับไป โอเคนะคำถามก็หมดแล้วทุกคนก็ได้พูดได้กุยกนแล้วก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนัว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ